อาจารย์ครับการธรรมสถาครับผมยรนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้48พรรษ า, สาสเต็มเลครับอาจารย์วันนี้ย้อนไป48ปีพระอาจารย์ได้ออุปสมบทวันนี้คนไปใส่บาตรเต็มเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับก็650กว่าชั้น153ครับเพราะเป็นวันพระกับวันอาทิตย์รวมกัน2วัน าัตอนบ่ายก็มีคนมาฟังที่ศาลาสองร้อยห้าสิบคนย oh. oh. ุ่โอ้โหคุรงทําำอันนี้สองาันรวมทั้งหมดพันสองตอนบ่ายทำที่ทางเฟนดูยู oh. ทูบทาครับ oh. oh. ก็ดี oh. ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันมันก็ ยิงยิงเปืนนัดเดียวได้นอกตรงพันกว่าตัวแล้วนะครับสาครับพระอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ครบรอบวันผมพวกเราทุกคนก็ดีใจเมื่อกี้ผมขออนุญาตพระอาจารย์เอาเทปมาเปิดคลิปอ่าคลิปสั้นๆนั้นะนะครับที่ลูกศิษย์ทำสวัสิ์าพระอาจารย์ได้เปิดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เลยอ่าอยากกราบขอพระอาจารย์เล่าถึงวันที่พระอาจารย์บวชสักนิดหนึ่งได้ไหมครับในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ ก็เท่าที่จําได้ก <bonito> <st ress> ็มันก็เฉยๆนะวราะมันมันเห็นว่ามันแบบเพียงแต่เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนเพศแปลงเพศอะไรนี่ส่วนเรื่องใจเรื่องของการปฏิบัตินี่มันก็ปฏิบัติเข้ามันอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ไปรู้สึกว่ามันแปลกหรือมันตื่นเต้นอะไรอีกอย่างนึงแล้วก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้จัดงานอะไร รู้แต่คนที่บ้านมาอยู่ประมาณสี่คนด้วยกันที่มาเพรานั้นก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้และอีกอย่างก็พอดีบวชกับ อ, กอีกหน้าอีกรูมหนึ่งเป็นลูกของนพลเขาก็จบโทรมาจากสารัแต่เขาบวชแค่สิบห้าวันแต่พ่อเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักก็มีแขกมาร้อยกว่าคน เราก็เพลงแต่งเป็นๆก็มาขอผสมรง้งครับก็เลยเหมือนก็บว่าถ้าไม่ต้องมาหน่อยมามาบวชสองครั้งก็เอ า, ามาจับฝากาไว้กับนกักมุนี้ด้วยสแสดงว่ามีแขกมาร่วม ง, งานบวชตาจารย์ร้อยกว่าคนแต่ไม่รู้จักเรา <c oughs> เวลาเข้าไปในโบสถ์ก็ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็มีย า, ายทางบ้านเขาก็เข้าไปช่วยถวายา้าถวายบาทให้อะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการที่ตื่นเต้นอะไรที่มันทำให้จดจำนะที่มันตื่นเต้นก็ตอนที่ตัดสินใจบวชอันนั้น แล้ารู้สึกว่าใจมันโลอมันมันสงบมันผ่ อ, องใสมันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นแมกเห็นมา ก, มากทอแสงจากดวงอาทิตย์สีส้มๆดูแล้วแมันสวยงามนะนะมันก่อนหน้านั้นมันยังสองจิตสองใจอยู่นะบวช ด, ดีไม่บวช ด, ดีแต่พอหลังจากได้ไปคุยกับท่านพ้นครูบัเกต เล่าให้ท่านฟังว่าอยากบวชนะท่านก็ชี้ทางท่านไปบวชกับสมเด็จที่วัดมวรแล้วก็ท่านอนุญาตให้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมพระป่าสายหลวงปู่ฟันที่ทางภาคอีสานแล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านกำลังทำสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆวัดเป็นสวนสวนมะพ้าวมะม่วงท่านก็เครื่องไปกราบหลวงปู่ฟันมา ถ้าท่าเห็นแบบฉบับของว่าตาทั้งอะไรอยากจะมาทําสถานที่ปฏิบัติแบบวัดวัดป่ามาทํากระตอมเล็กๆมุมจากนังคามมุมจากทางสารด้วยไม้ไผ่นะน้องเนี่ยก็เลยกล่ า, ญญ า, าลวว่าอนุ ญ, ญาตให้เข้าไปดูหน่อยทางการอนุญาตให้เข้าไปดูเห็นนะแล้วก็ที่ปฏิบัตินี้ดีก็เลยกลับมาขออนุ ญ, ญาตท่านว่าขอไป อยู่ปฏิบัติสักพักหนึ่งครับก่อนซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตอนนั้นตัดสินใจบวชด้ว ย, ยังหรือว่าไปอยู่หลังจากไปอยู่ที่นี่มาอยู่ประมาณเกือบเดือนก็เลยตัดสินใจว่าบวชก็เลยเราตัดสินใจบวชช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงปลายปลายปายเดือนมกราที่ผ่านมาครับก็เลย มุ่งไปที่วัดโบ่กนแไปเข้าไปหาพระที่เราไม่รู้จักไม่รู้จักใครมาก่อนอไม่ทราบกล่าวว่ามีพระชาวต่างประเทศบวชอยู่ที่นั่นหลายรูปแล้วส่วนใหญ่เขาบวชแล้วเขาก็จะขึ้นไปปฏิบัติที่ตามวัดป่านตามสายของหลวงปู่มั่นไปวัดหลวงตามนะครับโบ่บ้างไปวัดหลวงปู่ฟ้านบ้างไปวัดหลวงปู่เทนบ้างก็จะคิดว่าไป ไปหาพระต่างประเทศไปคุยกับเขาดูว่าถ้าจะบวชจะทำยังไงเพราะเราไม่รู้จักใครในวันนั้นเลยก็ดีมีพระเทระอยู่รูปนั้งนชาวอังกิษชินพระอาจารย์กันติปาโลแต่ตอนนี้ท่านนอนทาพไปแล้วแต่ท่านศึก ท, ท่านลาสิกขาไปก่อนเ้าก็ไปท่านก็ได้คุยกับท่านได้เล่าการปฏิบัติว่าปฏิบัติตามแล้วสติปทานสี่ กินมื่อเดียวมาอยู่บราณเกือบปีแล้วที่ว <m> ่าอยากจะบวดอยากจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมป่าต่างๆ <m> ท่านก็นเลยเมตตาไปการาบทูลเล่าให้สนิทท่านฟัง <m> ว่ามีเราอยากจะขอบวชที่นี่นแต่ท่านก็เมตตาให้พาไปเข้าไปการาบได้กราบท่านแล้วท่านก็นคุยเล็กน้อยถามว่ารู้จักใครในวันนี้มั้ง ผมไม่รู้จากใครนะก็มาพบพระทางประเทศตรงนี้ท่าว่าแล้วมีมีพ่อแม่ไหมมันมีฮะบอกท่านก็เลยบอกให้นำพ่อแม่มาคนใดคนหนึ่งมาพบก็เลยนัดวันมาพาแม่มากราบซึ่งประมาณสักสีห้าวันต่อมาเราก็ได้พาแม่ไปกราบแล้วก็พอสําเร็จควยเสร็จท่านก็นัดวันบทให้วันที่สิบเก้ามา ท่านนั้นก็เตรียมเตรียมขานหน้าท้องหน้าไว้ท้องบทสวดสวที่จะใช้ในงานอระสมบทแต่การปฏิบัติก็เหมือนเดิมก็ยังกินมื้อเดียวอยู่ท่นนั้นก็เลยเป็นโรคเศษของพระอาจารย์คันติปารุไปตั้งบาดให้ท่านแล้วก็ชานอาหารก้นบายของนั้นอาหารที่ด้านได้มาจากวินดาบาัตท่านก็แบ่งให้เระอาจารย์แล้วก็นอนที่หน้าบุติท่านหน้าห้องนั้นมันเป็น oh. เป็นฌาน เราเมันการห่อไว้กันนิดหน่อยไว้ให้สําหรับลูกศิษย์อยู่เพราะนั้นไม่มีลูกศิษย์ก็เลได้อยู่น่อ น, นอน ก, กลางมุงอยู่ช่วยท่านเวลาท่านปฏิบาตเส ร, ร็จกลับมาก็รับบาตรท่านจานอาหารให้ท่านเสร็จแล้วท่านก็ฉันเสร็จท่านก็อาอาหารที่เหลือให้นําพระภิกเสร็จก็รับบาตให้ท่านเลยมม ก, ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ พรช่วงนั้นท่านเราเตรียมตัวจะไปเป็นธรรมทูตไปที่ประเทศเอินโดนีเซียกับประเทศออสเตรเลียท่านต้องทำต้ังสียเงินทางต้องไปท่านต้องไปทําบีซา่าแล้วไปฉีดยาอะไรต่างๆพระธรรมยุทก็ไม่ถือเงินต้องให้ลูกศิษย์ถือเงินให้เร่ายค่าแท็กซี่จ่ายอะไรก็ได้เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ช่วงหนึ่งแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านไปก่อนก่อนที่เราบวช พอท่านไปท่านอนุญาตให้เราอยู่ในห้องเอาที่ท่านอยู่ต่อ <S <S 1> <S 1> แต่ห้องนั้นก็เป็นเป็นห้องส่วนกลางคือเป็นห้องสมุดห้องนั้นเก็บหนังสือเยอะหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษต่างๆแต่ก็มีมีพื้นมีพื้นที่ว่างที่จะปูเสื่อกลานุ้วนนอนได้ก็เลยท่านก็เลยให้อยู่ที่นั่น ก็ได้อยู่ที่นั่นหลังจากบวชก็อยู่ที่นั่นไปแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะเยอะแยะเลยหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษได้อ่านหนังสือของทัางเซนด้วยฮวงโปอาจารย์ฮวงโปร้รูสึว่าเป็นอ่านแล้วสึกว่ามันมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวจิตนี่เป็นส่วนใหญ่แล้สึกว่าเรืมีความพอใจนอิดี ที่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ยังปฏิบัติตามที่ให้ปฏิบัติเตื่นเช้าว่านั่งสมาธิกลางวันก็เดินจงกองนั่งสมาธิทําอะไรไปจนถึงวันบวช น, นะครับบวเสร็จก็สําเร็จท่านก็อนุญาตให้ขึ้นไปนั่งสมาธิกับท่านท่านจะนั่งสมาธิทุกคืนหลังจากธรัดคข้าแล้วที่ที่ที่ตำหนักนันท่านมีห้องนั่งสมาธิห้องพระ ก็พอเราทำวัดเสร็จออกจากโบสถามาก็ไปที่มีพระต่างชาติรูปหนึ่งชาวนิวซีแลนด์ท่านเป็นคนชวนไปบาทีท่านท่านเป็นคนได้รับอนุญาตให้ไปแล้วท่านก็เลยชวนออก ไ, ไปด้วยกาไปไปสมเด็จแท่งก็นั่งสมาธิของท่านอยู่แล้วไปถึงแล้วก็กาบท่านแล้วเราก็นั่งนั่งนั่งไปอย่างนั้นได้เวลาท่านก็จะเคาะกระดิ่งเล็กๆแล้วก็เลิกราก็ ก, ก, กาบท่านแล้ว ไปที่พักไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้สนปัญาอะไรกันทําอย่างนี้ไปจนประมาณครับอยู่ที่นั่นประมาณครับเดือนอกว่าๆถึงบวดการเดือนกุมภาเราปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาเพื่อพร้อมที่จะออกเดินทางไปก็เลยกราบขออนุญาตจะไปไป ไปว่าตาบัานตาก่อนเพราะมีพระรัมพระฝลังเข้าไปกลับมาเ้าเล่าให้ฟังแล้วเขาแนะนวิธีที่จะขออนุ ญ, ญาตก็เขียนหนังสือขออนุ ญ, ญาตไปที่วัดผ่านทางท่านปัญญาชาวต่างประเทศท่านั้นนํำมาใช้ภาษาอังกฤษท่ายก็ไม้รู้เราไปพระอะไรพระไทยหรือพราชาวเนี่ยท่านก็บอกว่าก็าไปได้พระอาจารย์อนุ ญ, ญาตให้ไปได้ ก็เลยเตรียมตัวไปเดินทางต้นเดินเมษาลเนี่ยจาได้ไปก่อนถึงเยาวันจกักรีไม่ไม่กี่วันก็ไปไปคนเดียวทางวัดก็ดีพอไปถึงบูดอนก็มีรตตู้มาแล้วรถตู้กเข๋าๆมาแล้วไปที่วันดพอดีรถนมตอนเช้าเช้าช้าเช้ า, ชามดืดก็เลยไปถึงวันก็พอได้เลยเตรียมตัวอาบิดาบาทได้ก็ไปเอาอบินาบาท ได้กราบท่านก่อนออกบินทบายก็ไม่ได้คุยอะไรท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกราบท่านได้ครัท่านก็เพยงแต่พูว่อยู่ได้ชั่วคราวเราก็ไม่ได้หวังอะไรคิดว่าอยากจะไปอยู่สถานที่ถ้าอยู่ได้ก็ถ้าดีถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าไม่ดีถ้าอยู่ไม่ได้ดีแต่อยู่ไม่ได้ก็ก็ต้องไปก็ ใจมันแบบธรรมะจัดสรรอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไดอถ้าจะธรรมะจะจัดสรรให้ถ้าธรรมะให้เราอยู่ที่นี่ล้วก็อยู่ถ้าม่อยู่เรากไปก็แบเสร็จการท่านเสร็จแล้วท่านก็รีบเตรียมตัวบินบาบมินดาบวันแรกนี่โอ้สุดโหดเลยเพราะว่าอาที่นั้นท่านเดินเร็วมากขาเดินไปนะเดินธรรมดาแต่ขากลับนี่เหมือนกับวิ่ง ท่านเดินแบบนักวิ่งนักแข่งวิ่งเดินเดินวิ่งโอลิมปิกเงี้ยแล้วเราไม่เคยอยู่บ้านเดินไดสบายสบายเดินตามตลาดทางตามถนนเดินเรื่อยๆอันนี้ท่านเดินแบบโอ้โหชุบช่อปชุบช่ชุบชเดินตามไม่ทันนั่นนับเพิ่งเป็นผ้าใหม่บาดก็มัดไม่นหันวิ่งเดินมาครึ่งทางบาดก็ทําท่าจะหลุดจีวรก็จะหลุดโอ้โหทุลักทุเล พอไปถึงว่าที่พระอื่นเขาเข้าที่กันเรียบร้อยแล้วเขาท ำ, ทำหน้าที่แจกอาหารอะไรกันแล้วเอายังรักเื อ, เอของเราอยู่นะี่โอ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องฝึกต้องเตรียบตัวเยอะอันนี้ก็เป็นวันแรกประสปการณ์ที่วัดตาบรรดาท่านที่จำได้เออไม่รู้ จ, จะเล่าอะไร ก็อยู่ที่นั่นไปประมาณใการช่วงเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาทั้งเดือนสงเดือนรู้สึกห ล, หลังวิสาขาไปแล้วนะท่านก็นจะบอกพระที่ไปขออยู่ว่าจะอยู่จำพรรษาหน้าหรือไม่ฉะนั้นก็มีพระอยู่หลายรูดที่ไปคออยู่ท่านก็บอกว่า อ, องค์นั้นอยู่ไม่ได้ อ, องนี้อยู่ไม่ได้ อ, องนี้อยู่ได้พอมาถึงเราท่านก็บอกว่าจาได้ไหวันที่ ท่านมาเราได้ตกลงกันว่าท่านอยู่ชั่วข้าวแล้วท่านอยู่ได้ชั่วข้าวถ้าตามที่ตกลงก็ท่านก็อยู่ไม่ได้นั่นก็พูดแค่นี้ออท่านกำตอนนั้นกําลังพูดตอนที่ประชุมตอนที่จ ะ, ะอบรมธรรมะตอนค่าที่ศาลาหลังจากนั้นท่านก็เทศเทศแสดงธรรมเส น, ธนาธรรมเล่าเรื่องการปฏิบัติอะไรต่างๆ ประมาณช่วง อ, องว่าสองชั่ออวโมงมันท่านก็แรกประชุมมัเแลาแรกประชุมก็ลุกขึ้นมากราบพระพรอมๆกนช่วงกราบเสร็จท่านก็พูดที่บนสารามันมืดนะไม่มีไม่มีเหฟ้าจุดเทียนอยู่สองสองดอกอยู่ที่หน้าพระประธานนั่นเองต้องการไม่จะเป็นเซเวอมองไม่เห็นหน้าตานะกันก่อนพอกราบเสร็จท่านก็บอกโอ้งนั้นถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่นะท่านก็ดอกเี้ยอง เขาก็ไรมาแสดงความยินดีเขาเขาเป็นรุ่นเกิดใหญ่เราจะได้อยู่หรือไม่ได้อยู่แล้วก็เฉยๆแล้วก็แล้วก็อยากที่คิดคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้กถ็ถ้าท่านทำให้ท่านต้องให้ไปจริงๆแล้วท่านทดสอบล้วก็ยังไม่รู้เราก็จะรอปรึกษากับพระดูก่อนว่าท่านทูดนี้มีความหมายว่ายังไงก็ดีพอดีไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาท่านให้คําตอบพร้อมกับ พเร็จตงบออ่ะจะอยู่ก็อยู่นะตรงนั้นนะที่มาจากวัฏวายนี่มาก็เลยอยู่มาตลอดถึงเก้าพันษาด้วยกันเก้ 9, าพันษาก็ดีที่นั่งถ้าสําหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติเนะี้ท่านจะเน้นเรื่องการปฏิบัติเรื่องภารกิจอย่างอื่นไม่มีงานบุญบางซ้ำส่วนอะไรนี้ไม่มีที่วัดมีแต่ภารกิจ ที่จาเป็นต้องทําบินบาดตอนบายก็ปัดกวาดลานวัดที่ภาพตามทางเดินแล้วก็ช่วยกันขนน้ําไปสูบน้ําจากบ่อใส่ปิ๊บปี๊บอ่าังกรสีปี๊บที่เป็นสไบการก็ใส่น้ํามันการเอามาทําหรือปี๊บใส่น้ำแล้วก็ใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปใส่ตามห้องน้ำํำต่างๆตามกุฏิต่างๆกุฏิตะลุกุฏิจะมี บอ่อเล็กตั้งอยู่ที่ข้างบันไดเวลาขึ้นกุฏิก็จะได้มีน้ำน้าเท่าแล้วกุฏิส่วนใหญ่จะไม่มีห้องน้ำในตัวจะมีห้องน้ำส่วนกลางอยู่ใกล้ๆกับกุฏิสีห้าหลังก็จะมีห้องน้ำส่วนกลางอยู่ห้องหนึ่งไว้สลับเข้าส้วม่วนเวลาส่งน้ำก็ไปที่บ่อบ่อน้าเอาน้ำสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็ส่งน้าที่บ่อน้ำ งานภารกิจก็มีเท่านเนี่ยตอนกละวันเช้าก็เดินก็ไปศาลา<ม>ไปทําช่วยกันบำบัดกวาดถูศาลา<ม>เสร็จขัดเดรยมออกบินตา บ, บาบินตา บ, บาเสร็จกลับมาก็ฉันฉันเสร็จล้างบาเสร็จทําความสะอาดเก็บข้าวของเสร็จก็แยกกันกลับไปที่พักไปปฏิบัติตัวกายตัวมันจนถึงช่วงบ่ายก็มีเวลาที่ท่านให้อนุญาตให้มาฉันน้าปานะนกันฉันร่วมกันยึดรงง้ําปานปะนะ ทำเสร็จก็ช่วยกันปัดกวาดลานวัดพอเสร็จก็แยกกันกลับไปที่พักแล้วไปไปส่งน้ําที่บ่อบอน้ำส่งเสร็จก็กลนะับที่พักเดินโมกลมนั่งสมาธิไปเดินห้อถึงเวลาพักหลับนอนพอตืต่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อเดินโยมกลมนั่งสมาธิจนถึงเวลาไป บ, บินิบาัชีวิตแค่นี้นเท่านี้ยสําหรับนักบวช ในวัดส่าบรรดาท่านจะไม่ให้าพาไปคุยกันท่านจะไม่ท่านจะชอบเดินตรวจวัดหรือท่านจะฉายไอยู่ที่ที่ที่บันไดว่ามีรองเท้ากี่คู่ถ้ามีคู่เดียวก็โอเคถ้ามีหลายคู่แสดงว่ามีการมาสังสรรค์กันนะท่านก็อาจจะเดินเข้ามาลองดูว่าคุยอะไรกันอยู่ว่า แล้วบางทีท่านท่านกวนอย่าเตือนท่านก็อย่าเตือนว่าอย่าทํำนี้ที่นี่ไม่ให้ทำอย่างนี้ถ้าจะทํ า, น, าทนี้ก็ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าท่านเดือดรอขึ้นบางทีท่านไม่ใส่รองท้าแบบเงียบๆไม่ได้ยินเสียงท่านมาท่านีองก็เลยต้องบอกมีความระมัดระวังไ ม, ไม่ไม่กล้าที่จะมาแอบสังสรรค์ทําดื่มน้ำชากาแฟอะไรกัน ในยามค่ำคืนเพราะท่านอนุยาตให้ดื่มครั้งเดียวดน้ำครั้งเดียวช่วงบ่ายน้ำปานน้ำอันหนึ่ช่วงหลังจากนั้นพอเสร็จภารกิจส่งน้าเสร็จแล้วก็เป็นช่วงภาวนาไปจนา ก, การะทั่งถึงถึงรุ่งเช้าตอนนาแล้วพักผ่อนเสร็จกันมาก็ภาวนาต่อแล้ววมาทั้งสี่ห้าวันท่านก็จะเรียกประชุมอบรมพระสักครั้ง เวลาประชุมท่านก็ไม่มีบอกล่วงหน้าก่อนก็ต้องคอยเตรียมตัวไว้เวลาท่านจะประชุมฉันจะบอกให้พระไ ป, ไปมาบอกพระกับท่านก็จะแบ่งช่วยกันไปบอกอไปประชุมประชุมพอได้ยินว่าประชุมก็รีบว่าอาสนะไปฉา ย, า ย, ยเจวัรีบไปที่ศาลาเพรางทีไปถึงท่านนั่งอยู่ก่อนนะ ใช่แล้ไปแบบเมือเงื่อมีไฟฉายใช่ไฟฉายไม่มีไม่มีไฟฟ้าในวัดจุดเทียนสองสองดอกสองูปสองแทงที่หน้าพระประธานมีแสงสว่างขึ้นท่านนำแสดงทำก็เป็นอย่างนี้ไปก็ความธรท่านก็พยายามสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆการเจริญสติการ น, นั่งสมาธิการพิจารณทนานทุกขเวทนา แล้วบางทีท่านก็เล่าการปฏิบัติของท่า น, ปานปเป็นปั๊ๆไปเป็นเรื่องๆไปสำหรับพระอาจารย์อยู่นี้มีพระหลายรูปไหมครับอาจารย์ครับไม่แน่ท่านรับช่วงนั้นรู้สึกจะมีสักสิบเจ็ดรูปนะท่านไม่ทํานไม่รับม า, ถาบกถ้ามาลแล้วดูแลไม่ไม่ทั่วถึงกันเลยรับแค่สิบเจ็ดรูปสิบเจ็ดแต่ต่อมาท่านก็เริ่มเพิ่มเพราะว่า ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่กว่าท่านได้มรณภาพไปหลายโลกน้องผูกขาวน้องผูฟงกฟันนะนั่นก็มรณภาพไปที่เพื่อนของพระก็น้อยลงตรนพระพก็เลยงุ่งมาที่วาตาวัตฏดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแั่ก็เริ่มรับจากสิบเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบก้าเป็นย 20, นนนี่สิบครับช่วงที่เราออกมานั้นสั่ยี่สิบกว่ายี่สิบสองยี่สิบกตอนหลังนี้นึกเสีว่าขึ้นไปถึงหกสิบอะ ช่วงนี้แหะครับอือช่วงที่ช่วงช่วงหลังครับอ๋อช่วงที่ด้เริ่มมาเกี่ยวความธรรมชาติเยอะมากดัง น, นั้นท่านกะสงสารท้านเห็ไม่มีที่ที่ไปไม่มีครูอาจารย์อป่างนี้เพิ่มท่านก็รับครับอาจารย์ก็อยู่เก้าปีไม่เคยไปไหนเลยใช่ไหมครับก็หลังจากห้าพรรษาแรกก็ขออนุญาตลาท่านกลับมาเยี่ยมบ้านหนึ่งครับ มาประมาณทักเดอนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ได้แปดพรรษาพรรษาแปดก็ขอลาออกมาอยากกัมาปีกเว่ยๆหนึ่งก็มาปิีิเว่ยที่สวนวัดช่องลมนั้นนี่เคยมีการปฏิบัติตอนก่อนที่จะบวชเรา ค, คิดว่าอยากจะอยู่แบบไม่มีภาระต้งตองอยุ่งเกี่ยวใครมีแต่ภาระบินตบาดแล้วก็ปฏิบัติ ก็อยู่ได้ประมาณสักสามสี่เดืนอนแล้วก็กลับไปพอพรรษาเก้าทาบ้านสกข่าวมา ว, ว่าพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งครับก็เลยขอลาขอไนุญาลาท่านมาอยู่แลมาอยู่ใกล้พ่อก็อยู่ได้ประมาณสักหกเดเดือนพ่อกระเสียเสียนัจ้จาก ทำงานศบท่านเสร็จก็พอในช่วงใกล้เข้าพรรษาก็เลยคิดว่าไม่อยากจะกลับไปนะเพราะว่าที่ก็คือไม่น่าว่าจะมีทุกว่างหรือเปล่าว่ามีพระเข้าไปอยู่เยอะก็เลยไม่กลับไปตอนนั้นยังไม่ได้อยู่มยังไม่ได้มาที่วัดยานั้นนั้นอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์อยู่ในเมืองพัทยามีวัดหนึ่วัดหนึ่งเป็นวัดธรรมยุทธอย่างไรแต่เป็นวัดบ้านแต่ดีที่เจ้าวัดท่านก็เป็นพระสายวัดป่า ก็เข้าใจกันก็ทวดดงมีชันนบ่ตฉันมเดียวได้บิ็นนบาตเขาอยู่ไปจนกระทั่งออกปรรษาปรรษานั้าก็รู้สึกจะเปปัรษาศิษย์ของเราอะไรอยาเงี้ยครับออกพรรษาก็เลยมุ่งมาที่วัดยาไปอยู่ที่วัดยาช่วงหลังจากรับกระถินเสร็จออกพรรษาเสร็จรับกินเสร็จก็มาขออยู่ที่วัดยาตั้งแต่ปี ศึกสองสองเจ็ดนะปลายปีสอเจ็ดก็อยู่ตั้งแตนั้นมาจนันนี้ตั้งแต่บวนมานี่ก็อยู่จำพรรษาอยู่สามแห่งอปา่าบรรษาศเก้าพรรษาวัดโพธิสัมพันธหนึ่งพรรษาแล้วก็ที่เหลือก็มาที่วัดยานวัญยา น, นี่นานหนะ่อยสามสิบเจ็ดพรรษาสามสิบแปดแสามสิบปดพานี่กประวันเยอะๆยอยู่นะ ทางการเดินทางในในของนักบวชมันใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ไม่ไม่อยากไปไหนมันลำบากเป็นพระต้องมันต้องมีคนคอยดูแลช่วยเหลือรับใช้เดินทางต้อมีคนตีตัวให้หรืออะไรส่งขึ้นรถให้อะไรเราไม่ไม่จับเงินจับทองไม่ไม่ไม่พวกมินทางเงินทองไป พระอาจารย์ครับก็เลยย้อนกลับไปก่อนที่พระอาจารย์วันที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชนะครับวันนั้นพระอาจารย์ได้หนังสืออ่มหาสติปฐานสูตรใช่ไหมครับอาจารย์ที่พระอาจารย์คือควาจริงช่วงที่ทํางานอยู่ในกรณีได้พบกับคนคนหนึ่งเขาเข า, เขาสนใจธรรมะแล้วพอคุยกันเขาอะไรเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอ น, นิจจามรู้ขั้นัละละตตาเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นเป็นสามเล่มแต่ได้เล่มแรกก็เล่มาาัานิจาร์เล่มแล้วเขาก็เอาคาําสอนพระเจ้าม า, ามามาแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เทีย่ยมมีเกิดมีดับมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เทีย่ยมถ้าเราอยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ก็ต้องปฏิบัติ กิจตภาวารอย่าี้ป่อย้างนะถึงเข้าใจถึงว่าต้องมีการปฏิบัติอันนี้จังก็เห็นเห็นตั้งแต่ตอนที่เป็นอายุเป็นเด็กมีเห็นคนตายอยู่ก็รู้อยู่ว่าเราต้องการทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันแต่มันใจมันก็ยังยังทุกข์กับความตายอยู่อยู่ปวดความตายอยถึงแม้รู้ว่จะต้องตายถึงแม้รู้ว่าจะต้องทําใจก็ยังมันก็ยังยังทับใจไม่ได้ะ เดิาท่านให้มาหนังสือเกี่ยวกับอนิจจังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นอนิจจังก็คือต้องปล่อยวางต้องปล่อยด้วยสินสมาธิปัญญาปฏิบัติสินสมาธิก็เลยก็เลยเขียนหนังสือไปขอขอหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆมาตอนตอนก็ขอหนังสือที่เขาแจกฟรีให้ก่อนครับก็มีเกี่ยวกับ สติปัฏฐานอะไรหนึงแต่ว่ามันไม่ไม่ละเอียดแล้วก็มีหนังสือขายที่เป็นที่ที่ที่เอาโพสตรทัรงะสูตรมาแล้วก็มีคำแปลแล้วก็มีคําอัฐาราถานมีคําการอธิบายวิธีต่างๆของการปฏิบัติว่าท่านพูดอย่างนี้ไปเขาให้ทำอย่างไรอก็เลยสั่งซื้อมาได้เหมือนกัมาอ่าแล้วก็ทำตามที่หนังสือบอก ให้เจริญสติเรื่องการเจริญที่ร่างกายกายยางตาสติให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆทุกวิทธยาบทชองการเคลื่อนไหวไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอืง่นแล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้ใช้อนาปนานสติอย่างายใจเขา้าอันนี้มึงต้องเมาปฏิบัติส่วนท่านถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็าให้พิจารณาสภาพต่างๆของร่างกายความไม่เที่ยง ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองร่างกายเมื่อตายไปก็จะเป็นซากศพที่ที่ขึ้นเหินที่เน่าเหม็นอะไรต่างๆเ น, นี่แล้วก็แล้วก็ร่างกายไม่ใช่ตัวตนเป็นดินน้ํามไปทํามาจากดินน้าลงไปอันนี้มีอยู่ในสติปัฏฐานสูตรท่านสี่ ทำเป็นธาสี่ของร่างกายเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายนี้แล้วก็จะได้ปล่อยวางมันไม่ไปทุกข์กับมันส่วนเวทนาก็ให้เราเข้าใจหนึ่งธรรมชาติของเวทนาว่าเวทนามันก็มีสามชนิดด้วยกันมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดดับเกิดดับเปลีนน่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวเราก็จะ เกิดความเครียดขึ้นมาแกิดความทุกงททางใจขึ้นมาแล้วถ้าอยากนะฮหเวลาเกิดความทุกข์อยากจะให้มันหายมันก็จะทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาวิธีนี้ไม่เครียดก็ต้องทําใจใเฉยๆยอ ม, มอยู่กับมันไปหัดอยู่กับทุกขเวทนาไปเวลาสุขก็อย่าไปยึดไปติดเวลามันจะหมดก็รู่นมันต้องหมดก็ปล่อยให้มันหมดไปเนี่ยก็อ่านหนังสือแล้ว่าพยายามปฏิบัติไปก็ ทำแบบโดยว่าจะทําผิดมากเราผิด้องถูกอะไรไปเพราะเราไม่มีครูอาจารย์สายการอ่านและการปฏิบัติของเรามันก็พอทุ้ยไถไปได้ครับแล้วจนวันที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชมันเหตุผลเพราะอะไรครับพอาจารย์ครับก็เพราะว่าเรากาหนดเราตั้ ง, งเป้าไว้แล้วว่าจะปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งอนนคตกจ่งงานก็มีเงินอยู่ก้อนประมาณหกพันบาทมั้น เราคำนวณแล้วว่าเราอยู่ได้ปีหนึ่งพราะบ้านเรามีบ้านอยู่ฟรีเราอยู่เราก็ไม่ได้ใช้น้ําใช้ไฟเลยมากเพราะเราไม่ไม่ได้มีทีวีไม่มีตูเ้เยน็นไม่มีอะไร <Okay. S 1> อาหารส่วนใหญ่เราก็จะไปซื้อกินข้างนอกอาหารจะไว้นั่นก็ถูกอาหารละห้าบาทก็อยู่ได้เข้าเข้าผัดเข้าเข้าผัดหรือเข้าวหมูดงหรือข้าบมันไกก็สามบาทเดียวชามละสองบาท เป็นสองจาน ก, ก็อิ่มนะก็อยู่ได้อยู่เอาวันละห้าบาทเดือนแค่ร้อยห้าสิบปีหนึ่งมันก็แค่สี่ปีหนึ่งมันก็แค่พันแปดเท่านั้ น, 6, นเองเราไมีหกพันก็เลือเฟือเพราเราไม่กล้าจะไปไหนไม่ใช้อะไรนะประหยัดเนึ่งที่อยาทเอาเวลาให้ปฏิบัติตั้งแต่วันออกจากงานพวก กำหนดันลาออกจากงานมันมันสิ้นปีของปีสองพันห้ารอยสิบหกแล้วปีสองพันห้ารสิบเจ็ดทั้งปีนี้จะใช้เป็นเวลาขอการปฏิบัติพอวันที่หนึ่งมกราก็เนั่มปฏิบัติอนั่งเก็บตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนนะเป็นวิ่งวิ่ในบ้านอย่างคเดียวเป็นห้องแถวบ้านเป็นห้องแถวอยู่แถวนั้นตอนนี้ห้องแถวใหม่ไม่ก็มียังไม่มีล้านคนมากนะไม่มีบ้านบ้านข้างๆก็ไม่มีใครอยู่มันก็เงียบ อยู่ในที่ตลาดนาเกลือเนี่ยที่พัทยาเนี่ก็อยู่ในนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในนั้นปฏิบัติบางครั้งก็ออกไปหาที่สงบเท้าตามชายทะเลตามโขดหินตามที่ไม่ค่อยมีคนไปผู้ภาคเราไปนั่งสมาธิอยู่มันโดนแดดมันร้อนก็ลงไปแช่นะมหายร้อนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งไม้พอเย็นก็กลับบ้าน ก็ทำอย่างนี้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครคนก็คิดว่าเราบ้าแต่การเจริญสตินั่งสมาธิเป็นหลักพยาควบคุมความอยากมัอยาเกี่ยวกับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ชอบกินชอบดูชอบฟังชอบเที่ยวอะไรไปก็ปใช้การจะนั่งสมาธิการเจ ร, ริญสตินี้แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะสลับกันไป พอเป็นเครื่องอยู่ของใจนะพอมันถึงเส้นปี17ก็มันเงินก็เหลือไม่มากหรืยัเงเหลืออยู่บ้างแต่ต้องตัดต้องเลือกว่าจะเอายังไงต่อว่าจะปฏิบัติต่อไม่ว่าจะหยุดปฏิบัติแล้วไปทํามาหากินเพก็ยังก็ต้องมีมีรายหน้าเลี้ยงชีพนะถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องบวชท่า น, น ถ้าบวชแล้วก็ไม่ต้องคำนวณเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรายได้ไม่ต้องเรื่องเรื่องทางธุรกิถ้าไปทํางานก็จะหมดเวลาไปกับการทํางานก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างที่ปฏิบัติอาจจะปฏิบัติได้แค่เช้าเย็นอะไรทำนองนั้นเองซึ่งเราเห็นว่ามันไม่พอแ ว, ว่าเราปฏิบัติมาทั้งปีขนาดปฏิบัติทั้งวันมันยังรู้สึกยังสู้มันไม่ค่อยไหวอยู่นะ ก็เลยในที่สุดเลยตัดสินาจต้องบวชแล้วแต่ยังไม่ได้ยัไม่บวชที he he ่ไหนก็เลยนอ่งไปคุยกับยังมีคนเล่าว่าวัดเจ้าลมวัดใกรวัดไวกัารววัดชายบ้านที่เขาหรือมัดธรรมยุทธ์วัดที่บุกางเข่งครับชาวบ้านก็นับถือกระครูบเกตุก็เลยไปหาท่านไปคุยไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่าท่านเป็นวัดที่ยังเป็นวัดบ้านอยู่ ต้องเรียนหนังสือคือไปได้ท่านแปลวา่าตอนนี้กําลังปฏิบัติสติปัญญานอยู่ไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวให้บกว่าวาัดของท่นทงานเป็วัดบ้านแล้วเป็นวัดที่มีธรรมเนียมต้องเรียนบาลีต้องเรียนต้องเรียนยนักาทรานักธรรมตีโทเองแล้วก็มีกิจนิมนต์มีบุญบาง ส, าสังส่วนมีเมรุในกานศึมษอะไรนะมีพระกิจต่างๆที่ต้องทำ ถ้าจะมาขออยู่บวปฏิบัติแล้วไม่ทำนี้ก็คงอยู่กับเขาไม่ได้เพราะถ้าตําบวชกับท่านท่านก็จะต้องมาท่าบต้องมาอยู่กับท่านห้นาพรนษาท่านก็เลยง่ายไปที่สมเด็ ญ, ญ, ญาณดีกว่าท่านเมตตาบวชให้แล้วท่านอนุ ญ, ญาตให้เป็นฝากอยู่ครับครูบาอาจารย์สายปฏิบัติสายวัดป่าได้ก็เลยท่านที่ ที่ไปนักทั้งก็เล่าวาท่านกำลังทำถานที่พักปฏิบัติทำอยู่ก็เลยขออนุญาตไปดูพอเห็นก็เห็นว่ามันสงบวิเวกว็อยู่ที่บ้านเยอะก็เลยขออนุญาตไปไปอยู่ปฏิบัติที่นั่นท่านก็้อยู่แล้วก็กินข้าวพ้นบายของพระที่อยู่ที่นั่นนะ mm. ก็อยู่ได้ประมาณเกือบเดือนนะ้อ mm. เดือนมกราทั้งเดือนพอหลังจากได้ปฏิบัติวิเวกอย่างนั้นเสร็จก็จิตใจมีพลังมากขึ้น มีมีสมาธิได้ได้วาสมสมุนมากขึ้นก <c oughs> ็เลยตัดสินใจบวดออกบวชหน้าต้องบวชแล้ววันที่ได้ตัดสินใจวันนั้นรู้สึกใจมันโล่งเมื่อก่อนมันมันค่อนข้างที่จะรู้สึกทรมานใจสองจิตสองใจลักพี่เสียดายเนะรักสมาธิรักปฏิบัติแต่ลรักชีวิตของความเป็นคารวะอยู่ ทำอะไรอยากจะทําอะไรไปไหนเมื่อไหนก็ทําได้ถ้าไปเป็นพระแล้วก็ต้องถูกกักขงังกัดขังอยู่ในกรงแต่เมื่อมันพิจารณาแล้วมันเห็นว่าต้องไปทางนี้แล้วม่ต้องไปทางปฏิบัติเพราะถ้าไปทํางานแล้ววันเวลาจะปฏิบัติมันไม่มากพออาวะเข้าก็เลยตัดสินใจเข้ากรงเข้ากรงแต่ยังไปหารกรงที่มันมีแต่ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเดียว ครก็เลยมุ่งไปหาวัดป่าทำทำภาพอิจฉนแลน้วก็เริ่มได้ได้ได้ไดยินได้ความกิติศัพท์ของครูบาอาจารย์ตอนที่ไป่วัดบัวหวานก็เริ่มู้จักกิติศัพท์ของครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะชาวต่างประเทศเขาก็ไปหลายวันที่กันมันหลวงปู่ฟ้ น, นัดหลปู่เทศวัดหลวงตาหาบับัวก็มีหลายวัดที่จะเลือกไปได้อะไรก็ลังว่าไปที่วัดตาต่างๆก่อนนะครับ พรได้ยินว่าท่านหลวงตาท่านมีความเข้มงวดขัมากเกี่ยวกัเรื่องการปฏิบัติ น, นั่นเลยมุ่งไปในนั้นขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโอ้โหที่ได้ฟังประวัติอย่างด้วยความปีติมากๆผมว่าทุกคนได้ฟังก็ปิติหมดครับไม่ไม่เคยได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนในหลายหลายในหลายจุดครับพระอาจารย์ครับท้งอย่างมันก็เหมือนกับธรรมะจากฉันพาไปนะ หนังสือทำมาอยู่ดีๆก็ได้มีคนนอนหนังสือธรรมะมาให้อ่านว่าอ่านแล้วก็ประทับใจก็สนใจก็เขียนไปก่อนห น, นังสือมาเพาิ่มพอเ พ, เพิ่มอ่านก็ได้เงินจากวิธีปฏิบัติก็ลองปฏิบัติดูด้วยตวนเองจนถึงไงว่าต้องลาออกจากงานแะล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างแต็มที่ก็ราออกให้ใ ห, ให้ให้บริษัทเขาบอกเขาล่วงหน้าหนึ่งเดือนมันจะลา พอเล่าพ่อก็เอาเลยปฏิบัติเลยไม่ไปยุ่งใครไม่สังคมไม่ติดต่อใครอยู่คนเดียวทั้งปีพอก็ปีก็ะตัดสินใจจะต้องบวชจะไปบวชที่ไหนมันก็มีธรรมาจัดสรรมาบอกเอง่ะไที่นันที่นี่นนมันเราไ ม, ไม่รู้สึกว่ามันทาเรไปเองเนีย่ย ทุกคนก็รู้สึกแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เอเอก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มีธรรมะจัดสรรให้เองอะไรคือธรรมะจัดสรรมันเชื่อเท่าเราก็ต้องเป็นตัวผลักดันการปฏิบัติของเราแล้วล้วถึงเวลาที่เราต้องการอะไรธรรมะจัดสรรก็จะปรากฏให้เราอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของของบุญกุศลของแต่ละคนกันได้นะครับอาจารย์แต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราในอดีตเคได้ทําบุญทําอะไรมาแล้วบุญนี้ก็มาประคับประคอง คอยตอบสนองเวลาที่เรารู้สึกขาดแคลนอะไรมันก็จะมาเองโดยที่ไม่ต้องไปขอไปดิ้นรนไปแสวงหาอันนี้ในความรู้สึกของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเวลาเยกิดมีความที่จะต้องการอะไรไได้วยเหตุด้วยผลมันไม่ใช่ต้องการด้วยความอยากมันจะมาของมันเองมันจะมาลองรับเองทราบสิ่งใจกับขอขอบคุณพระอาจารย์ครับที่แม่ตาเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวผมขอโอกาส ถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างครับมีคำถามี่ค้างอยู่ตั้งแต่ตอนบ่ายครับอาจารย์บอกว่าขอโอกาสถามหลวงพ่อเพื่อความมั่นใจค่ะว่าถ้าเราเข้าใจเวทนาแล้วไม่ว่าจะเจ็บปวดมากน้อยใจเราก็ไม่ให้ค่าให้ความสำคัญว่ามันเจ็บมากเจ็บน้อยใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าเจ็บมากน้อยค่ามันเท่ากันคือเวทนาค่ะสิ่งที่หนูคิดหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะค เวลามันเกิดแล้วเราจะไม่มีความภาวะตัณหาหรือวิภภาวตัณหาหรือวิภภาวตัณหาก็อยากจะหนีจากมันไปภาวตัณหาก็คืออยากจะให้เวทนาเป็นอยากจะได้วทนาอย่างอื่นมาแทนที่ถ้าเกิดความอยากแล้วมันจะทุกข์ทรมานทงใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่อยากจะทุกข์ทำใจแต่เราก็ต้องเราก็ต้องเจอกับเวทนานี้ก็หัดทําใจ อย่าไปหนีเสียเพราะหนีเสือก็ไปเจอจระเข้อยากอยากหนีอยากทุกข์ก็ทนาก็ไปจะจอทุกข์ในอริยสัจสี่ในใจทุกข์เวทนามันเป็นทุกข์ในขันแต่ทุกข์ก็จากอริยสัจสี่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันเป็นทุกข์ในใจทุกข์ในใจนี้มันรุนแรงก็ทุกข์ในขันทุกข์เวทนาเป็นทุกข์ในขันที่เกิดจากการเจ็บปวดของร่างกายอันนี้ก็เลย เรายายามทำใจวิธีทำใจก็ทำชั้นเจิตบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปให้ให้จิตพยายามนั่งอยู่คู่อยู่กับเวทนาไปอย่าไปอยากหนีจากมันไม่อย่าไปอยากให้มันหายไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปรอ mm hmm. จิตกาะแต่อยู่กับพุโทโธได้สักระยะหนึ่งมันก็เข้าสู่ความสงบได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เวทนาหายความเจ็บหายก็หายไป ใจก็สบงบหนึ่งเย็นเวทนาที่เหลืออยู่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาทุกครั้งเวทนาทางขันทางกายก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้พ อ, อใจสงบได้โฮเบขาขึ้นมาคําถามจากคุณสันปรกรณครับไม่จบนะครับเนื่องจากลูกอวัยวะและก็ในจากร่างกายไว้เรียบร้อยแล้วลูกรบกวนสอบถามหลวงพ่อให้ช่วยวินิจฉัยความกระจ่างหน่อยคะ่ะว่าการที่คนป่วยสมองตายแล้ว ทางการแพทย์บอกว่าให้ผ่าตัดเอาอวัยวะที่สามารถใช้ได้ออกไปได้เลยทางโลกถือว่าคนคนนั้นได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าทางธรรมหรือทางโลกของวิญญาณ น, นั้นคนคนนั้นได้ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าคะเพราะว่าลูกไม่แน่ใจว่าวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วหรื อ, อยังถ้าวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วจริงๆก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ความจริงตมหลักที่เราเข้าใจวิญ ญ, ญาณจะออกจากร่างก็ต่อเมื่อร่างกายหยุดทำงานเต็ม ท, ที่แล้วเป็นไน คืวจาหยุดเต้นวุจาร์หยุดเท้นไม่มีการทํางานนะแล้วถ้าเอาาเข็มเอาอะไรไปแทนก็ไม่มีการการสะดุ้งหืออะไรนี่แสดงว่าไม่มีจิตอยู่แล้วแต่ถ้าตายตายทางสมองนี่ไม่ยังไม่น่าว่าวิญญาณออกจากร่างหรือยัเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องของทางโลกไปไม่ทราบว่าจะตอบยังไงก็เป็นเรื่องของ คือคพูยง่ายๆคือการทาบริจาคอวัยวะให้กับคนที่อยู่นี้ไม่เป็นประโยชน์แต่มันไม่เป็นประโยชน์กับคนที่บริจาคคนบริจาคไม่ได้บุญนะเพราะไปให้ตอนที่ตายไปแล้วตอนนั้นคนที่บริจาคไม่รู้ว่าอาวัยวะของตอนนี้ได้รับการจาัดสรรตามที่นั้นตั้งใจเอาไว้หรือไม่ยงไม่เกิดความรู้สึกว่าเพิ่มปิติรู้สึกที่เกิดจากการที่เราได้เสียสละช่วยเหลือพูด แต่สมมุติว่าถ้าเราบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคไตไว้อันอย่างเนี้ยเรายังมีชีวิตอยู่เรายังรับรู้อยู่เราเห็นว่าผูดด้ที่รับตายของเราไปนี้เขาฟื้นจาก một, โรคภัยของเขาคือแทนที้ก็จะตายเขากลับมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เราเห็นผลที่เกิดจากการเสียสละของเราแล้วก็เกิดความสุขใจอันนี้แหละคือบุญคือความสุขใจแต่ถ้าเราบริจาคไปตอนที่เรา ตายไปแล้วนี่เขาเอาไปทําอะไรเราไม่รู้นะเอาไปพังไปเผาเอาไปอะไรเราไม่รู้ก็ไม่ได้หนุนอะไรเลยจากถ้าเราเวจากตอนที่หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ถ้าเราเวจากตอนที่เราอยู่เช่นเวจรตายไปข้างห น, นึ่งเวจรเมือดหรือบางทีไม่ยินดีที่เวจรตาไปข้างหนึ่งเพื่อให้คนที่เราอยากจะช่วยเหลือนี่ให้ก็มีตาได้เห็นอะ ก็แอมถ้าอย่างเนี้ยจะได้บุญแน่ๆเพราะรู้ไหมคนที่บริจาครู้ว่าตอนไหนได้ทําคุณนาประโยชน์ให้กับผู้แต่ถ้าบริจาคไปแล้วเขาเอาไปตอนที่เราตายไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ก็นําก็เหมือนกันไม่ได้บริจาคก็ไม่ได้บุญเพราะว่าบุญคือความสุขใจอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ความสุขใจเอ็นใจภูมิใจประทับใจอะไรอย่างนี้ คุณพี่ก้ครับเรียนถามพระอาจารย์อารมณ์เบื่อหน่ายในขันห้าต้องทําให้เกิดอย่างไรขอบก็เบื่อมันท้อมันทุกเนี่ยเพราะมันทุกโดยเฉพาะร่างกายขันห้ามันมีสองมีร่างกายกับเวทนาที่เป็นตัวที่เราต้องพิจารณาเวทนานี้มันเป็นตัวแทนของนามขันทั้งสี่นามขันมันทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างเราเราจับตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันก็จะเหมือนกับ จับทั้งสี่ตัวมันทํางานร่วมกันดันั้นตัวที่มันมีมีผลต่อเรามากที่สุดก็คือตัวเวทนาเวลาที่มันเกิดอาการเจ็บไข้ในป่วยเกิดอาการปวยขึ้นมานี่ตัวเนี้เป็นตัวที่เราจะต้องมทําให้เบื่อหน่ายให้นะเบื่อเพราะมันมันมันทุกข์มันสร้างความทุกข์ให้กับเราร่างกายก็เหมือนกันเวลามันแก่เวลามันตายมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเห็นว่า ขันห้านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้บรนทุกเราก็จะได้ไม่ไปไม่ไปเกิดใหม่ไม่ไปมีขันห้าใหม่ที่ไม่มีขันห้าเราก็ต้องรลกทันหาทั้งสามว่าเรามีร่างกายว่าเราต้องการเสกรูปเสียงกลิ่นรดโผฏฐาพะเรามียังมีกามะทันหาอยู่กามะันหามันก็จะทําให้เราต้องไปหาตาหูจมูดิ้กายคือไปหาร่างกายใหม่ไปหาขันห้านี้ถ้าเราอยากจะละขัน เราอยากจะไม่เราถ้ า, าอยากจะมีอารมณ์เบื่ออะเครื่องที่เราจะได้ไม่ไปมีคันให้อีกต่อไปเราก็ต้องละกามะตัญหาการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะเราเป็นดวงวิญญาณเราไม่สามารถเสกรูปเสียงกลิ่นรสได้ตามหลักธรรมเราก็มาสายร่างกายเป็นเครื่องมือ เราถึงมานามาจุติกันเวลาเกิดร่างกายเอามาปฏิสนธิกันเวลาเกิดร่างกายขึ้นมาเราก็มาใช้สันใช้วิญญาณของเรามาเกาะติดียวกับร่างกายเกาะติดที่ตาของจมูกนิ้วกายพอข้อดออกมาก็รับรูปสิ่งกินรสเข้ามาเสกได้แต่ถ้าเราตัดความอยากนี้ไนดะ้เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเกาะมามีร่างกายเป็นการเบื่อในการเบื่อ ให้มีอารมณ์เบื่อนายก็ให้เห็นว่ามันทุกข์การเกิดนันมัทุกข์กเราถ้าไปเจอความทุกข์นี้มันจะเบื่อไหมเบื่อใช่ไหมเรามักจะไม่เห็นความทุกข์กันเรากลับไปเห็นความสุขกันเวลาการเกิดขึ้นมาเราฉลองมันเกิดกันดีใจกันยกกันใหญ่เพราะเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์เพราะว่าทุกข์เพราะเราต้องเลี้ยงดูมันต้องคอยรักษามันแล้วนะ มันก็มีโรคภัยแค่เจ็บมีความชรามีความตายเราสร้างความทุกข์ให้กับรอยเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาเราถึงจะกิความเบื่อหน่ายในขั้นห้าแล้วจะทําให้เรามีความยินดีที่จะไปปฏิบัติเพื่อละการมาตัดหาอาจารย์ครับเดีย๋ยวนี้พอผมเห็นเด็กเกิดผมก็ไม่ค่อยดีใจเลยครับอาจารย์กลับไปคือก็ ส, กสงสารครับ <laughs> ก็ดูเด็กเขาจะต้องทำอะไรบางเขาก็ต้อง ยืนร่นต่อสู้เพื่ออยากชีพิตทำหนมชีวต้องหายใจทันน้งวันแล้วถ้าเกิดข้อกรรมเกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นกับบิดานาด า, น า, นาน where, เาขาเขาตายเป็นเด็กเด็กอะไรเด็กกำพ ร, ร้าหรืออะไรไปมีอะไรสารพัดสาเพเฐถ้าเราดูข่าวข่าวที่เรื่องที่เกิดกับมนุษย์ตอนนาี้มันไม่น่าอยู่เลยไม่น่าแปลกเลยไม่มีร่างกายมันน่าจะปลอดภัยกว่าสบายกว่า ก็แสดงความยินดีไปตามสังคมนะครับแต่ว่ า, วาถ้าไ ม, ม่ยินดีก็ <c oughs> ถ้าไม่ยินดีก็ถูกได้ะ เ, <c oughs> เกลียดชังเลย <c oughs> เกลียดเด็กรื่ไงเกลียดชังเด็กเลยไม่ได้ทํางโลกเขาเขาไม่ได้มองอย่างทํางธรรมเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราพูดออกไปไม่ได้นอกจากคนที่รู้มีความ ร, รู้สึกนึกคิดเหมือนกันก็คุยกันได้ คนที่เขายังน้องหลายอยู่กับชีวิตอยู่ไปคุยกเขาไม่ได้ <c oughs> คุณทัศน์ครับโยมอยู่ต่างประเทศปกติโยมภาวนาอิติปิโสพุทธคุณวนไปเป็นการภาวนาแบบออกเสียงเบาๆแค่ให้ตัวเองได้ยินที่ช่วงสองสามวันมานี้โยมลองภาวนาในใจแบบไม่ออกเสียงดูเผื่อจะสงบเร็วขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ารู้สึกอิดอักไม่สบายเครียด และอยากากลับยปถามพระอาจารย์ว่าโยมควรลองภาวนาในใจไปเรื่อยๆดูเผื่อความอึดอัดนั้นจะหายกลับขอบความเมตตาพระอาจารย์แนะนำโยมด้วยค่ะก็ช่วงแรกๆอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่ไม่ไม่ถนัด ไ, ไ, ไ, ไม่เคยชินแล้วจิตเรายังยึดติดอยู่กับแบบเดิมอยู่มันก็เลยเกิดการรู้สึกตึงเครียดระหว่างการเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่อันนี้ก็ลองทาดูไปลอง อาจจะตอนต้นก็อาจจะออกเสียงไปก่อนสักเล็พัดหนึ่งแล้วก็ลองหยุดออกเสียงดูแล้วก็ลองท่องภาในใจดูคุณต่อครับทําบุญโดยโอนมันเข้าบัญชีวัดได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกับการบริจาคโดยตรงก็เป็นการบริจาคโดยตรงก็เป็นเงินที่ทางวัดเราสามารถเอาไปใช้ใจ่ายต่างๆได้เอาเป็นเงินสดไปท่านก็เอาไปใช้ใจ่ายได้เหมือนกับเงินที่โอนเข้าไป คนเที่ยเข้าไปนั้นก็ไปเบิอบออกมาใช้ได้เหมือนกันเหมือนกันเท่ากันไม่มีความสะดวกสําหรับผู้บริจาคว่าสามารถโอนได้ผ่านมือถือแล้วอย่างนี้สมัยนี้ไม่ต้องไปธนาคารที่ธนาคารปิดกันเยอะสาขาต่างๆไม่มีคนใช้บริการไม่มีใครไปสาขากันแล้ว แต่คุณสมพรครับตอนที่ตัวเราไม่มีตัวกูของกูพระธรรมของพระพุทธทาสคือตอนที่เราเสมือนไม่ได้มีการคิดอะไรคือตอนที่เราอยู่ในสภาพใจลอยไร้ตัวตนแต่พอรู้สึกตัวก็จะมีตัวตนมีตัวกูของกูเข้ามาแทนเหมือนเดิมน้องกับขอคําอธิบายพระอาจารย์ครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสภาพใจลอยแล้ตัวตนขณะใจลอยไร้ตัวตนมันก็ยังมีตัวตนอยู่มันยังคิดอยู่เป็นเดียวมันคิดด้วยเปลื่ยไปตามภาษาของคนที่ไม่มีสติอะไนี้ การที่จะไม่มีตัวตนจริงๆต้องต้องเข้าสมาธิต้องเข้า อ, อัปปนาสมาธิจิตสงบนิ่งความคิดปรุงแต่งหายไปหมดแต่สตินี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้สึกตลาดเวลาด้วูดูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตตลาดเวลาว่าไอ้ตอนนี้ไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่มีตัวคิดพอไม่คิดตัวตนมันก็หายไปเนื้อแต่ตัวรู้มีตัวเดียวมันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะเห็นของจริง แต่แบบที่พูดนี้ก็มั น, นก็คงเราจะคงคงจะเข้าใจเพราะโยมไม่เคยเข้าสมาธิก็เลยไม่รู้ว่าเข้าสมาธิเป็นอะไรก็เลยไปเปรียบเทียบสมาธิเหมือนคนใจลอยอไล่ตัวตนแต่ไม่ใช่คนเราเรื่องกันคุณแคทครับเคยได้ยินมาว่าถ้าท่านใดได้ไปเยือนสี่สังเวชนียสถานที่อินเดียหลังจากเราตายไปแล้วก็จะไม่ได้ไปสู่อบายอันนี้มีสุขติเป็นที่ไปจริงหรือเปล่าเจ้าคะ คือมันมันต้องไม่มีมากกว่า น, นั้นการไปเยือนสามเวทนาสถานพื่ให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าทเมื่อเรามีศรัทธามีศรัทธาพระุทธเจ้าสอนว่าให้ละก า, ารกระทำบาปทั้งปวงเราก็จะทําตาอันนี้แหละที่จะทำให้เราไม่ไปอบายเพราะถ้าเรายังไม่มีศรัทธาเลยไม่เนแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงรไม่คําสั่งคําสอนของท่านที่เป็นของจริงมีคุณมีประโยชน์จริงหรือไม่ เราก็อา จ, จะไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามแต่พอเราได้ไปกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตัศระแสดงธรรมและไปรมิพรานมันก็เป็นเหมือนมีสักขีพยานมายืนยันยกับเราว่าพระพุทธเจ้าที่ของจริงนคําสอนนี่ของจริงถ้าไม่อยากจะไปอาบายน่ารักษาศีลอย่าทำบาปเนี่ยอันนี้เมื่อเราเชื่อว่าเป็นของจริงแล้วก็รักษาศีเงันไปทั้งนี้รักษาศีงได้ตายไปก็ไม่ไปอาบาย มันไม่ได้ว่าไปอินเดียแล้วจะไม่ไปอบายไม่ใช่ถ้าไปอินเดียแลก้กลับมาทําบาปเหมือนเดิมอยู่เคยมีอาชีพค้าวเป็ดค้าเป็ดข้าวไกา่ข้าวัวข้าควายไปไปไปสังเวก็ไปเที่ยวถ่ายรูปกลับมาพอกลับมาแล้วทำอาชีพเดิมนี้มันก็ไม่ไปมันไปมันก็มันก็ต้องไปอบายอยู่ดีอันนี้อันที่ไปแล้วเราคิกตัวเราเองให้พลิกผันตัวเองจากคนที่เคยทําบาปมาไม่ทําบาปแล้ว อันนี้แหละเป้าหมายก็คือให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคําสอนพุทเจ้ามีจริงอบายมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงถ้าเราเชื่ออันนี้แนละ้วรับประกรนันได้เราก็ต้องไม่กล้าทาําบาปนะเราก็จะทําแต่บุญอย่างเดียวถ้าเร า, าถ้าทําบาปน้อยกว่าทําบุญบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนบาปก็ไม่สามารถดึงเราไปอบาย คุณชนิดาครับป้าจารย์คะนั่งสมาธิแล้วเหมือนตกวูบลงไปแล้วไม่สงบต่อเลยเจ้าค่ะทำอย่างไรตอบเพื่อให้สงบคะก็ต้องดูลงมาใจต่อไปแล้วพุโทโธต่อไปแสดงว่าสติทราหมดกำลังมาถึงจุดนั้นก็ทําให้มันวูบลงไปหน้าแปบนึ่แล้วมันก็ถอนหนับมาแล้วมันก็เริ่มไม่สงบเราว่าต้องทําใหม่เราว่าต้องทําต่อไปด้วยการดูลงเนื่นไปกับพุโทโธต่อไปใหม่ เหมือนน้ํามันรถเนีย่ยพอวิ่งไปถึงจุดหนึ่งน้ํามันในถังหมดมันก็ต้องจอดปัม๊มแล้วก็เติมน้ำมันใหม่มันถึงจะวิ่งต่อได้สติของเราหมดปั๊บมันก็ไม่สามารถควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ก็ต้องเติมสติใหม่วิธีเติมสติก็คืออานาปนาสติหรือพุทธานสติคุณอุดดีครับขอทราบชื่อหนังสือภาษาอังกฤษที่พระอาจารย์ได้อ่านได้ไหมคะ อันชื่อ uh, impermanent ซึ่งความจริงญาติโยมสามารถเข้าไปดูในเว็บกรรมฐาน .com ได้เป็นเว็บที่เราทบขึ้นมาแล้วในจะมีช่วงบนของของของเว็บนี้จะมีหนังสือต่างๆจะมีนจะมีหนังสือหน่งที่เขียวว่า impermanent ประว่าินิจานี่ก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยหรือว่าถ้าญาติโยมคนไหน ที่เป็นหนังสือก็อาจจะสง่งลิงก์มาให้คุณหมอก็ได้แล้วคุณหมอจะส่งไปให้วันนี้ก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษถ้าเข้าไปในเว็บกกคำมารฐาน .com ตอนนี้ยมาตรฐาน .com อ, อ่ามันจะจะมีจะมีช่วงช่วงบนของของเว็บเนี่ยเราจะมีลิงก์ต่าง มีได้งานหนึ่งชื่ออิมพาวเนอร์ไหมนิมสาเียอยู่ช่องบนนเลยช่องบนูจียับหาไม่เจอครับเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวผมหาหาอีกทีหนึ่ง้วเดี๋ยวแจ้งไปครับอาาครับแต่แจ้งให้ผู้ชมทราบนะครับคุณมาริสาครับ การเรียนพระอาจารย์ที่คุณมีจิตประพัดสอนหยาดลงมาถูกอวิชชาห่อหุ้มและปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจเพื่อถึงพนันธิพาลคือการได้ได้ของเก่าคือจิตเดิมแท้กลับคืนมาอย่างนี้จริงหรือเปล่าคะคือคาว่าจิตเดิมแท้ที่ท่านหมายถึงจิตที่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่ามันสงบตัวลงแล้นเปลี่ยนเหมือนกับ ว, ว่ามันไม่มีกิเลสตนนั้นเวลาเวลาเข้าสมาธิเนี่ย ก็เหมือนกับจิตเป็นจิตเดมแท้อยู่ในสภาพที่ที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันยังไม่ได้รับการกําจัดกิเลสด้วยด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาแต่มันสงบตัวลงเหมือนก็ว่ามันกิเลสหายไปจากใจชั่วขณะที่จิตสงบกําลังของสติหรือสมาธิจะกดมันไว้ทำให้จิตนี้เป็นจิตประพรสรัสอนสว่างถวายขึ้นมาได้ เรื่องเรื่องเรจิตประพศศาสสอนนี้ก็หมายถึงจิตที่ได้รับการขัดเกลาได้วิปัสนาคือได้กําจัดกิเลสบางส่วนสัโยอดขั้นต่ำหมดไปสัมยอดที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายพอสัมยอดที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายถูกกาจัดไปจิตก็จะเริ่มสมบุกโดยธรรมชาติของมันแล้วก็สว่างสวัยแต่มันยังมีกิเลส ท, ที่หลงเหลืออยู่ก็ยังมี มีอวิชามีอะไรต่างๆลงได้ อ, อยู่อันนั้นนะต้องใช้การปฏิบัติขั้นของป้านาคาป้านาคามีจะต้องปฏิบัติเพื่อกําจัดทั้งยุที่เหนืออยู่เมื่อทั้งยุทธิเนื้อหมดไปจิตก็จะกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตที่บริสุทธนี้เป็นนิพพานจิตนิพพาน่จิตที่สงบอันนี้มันเป็นเป็นจิตที่มีอวิชา จะสงบตัวลงด้วยกำลังของสมาธิหรืด้วยกำลังขัดเกลาของปัญญาที่สามารถขัดเกลากิเลสออกไปได้บางส่วนคุณพีเคครับถ้านำหนังสือธรรมะเก็บไว้ในโน้ตบุ๊ก iPad ต้องเก็บอุปรกรณ์เหล่านี้ไว้ที่สูงด้วยไหมครับก็แล้วแต่ความเห ม, มาะสมแล้วกันสำไมนี่มันในโน้ตบนตอุ๊มันใส่แลวต้องเงยอะแยะไปหมดเนมันถือว่าเป็น ก็คิดว่ามันก็ไม่จําเป็นข็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีหนังสือธรรมะอีกในนั้นหรือไม่แต่ถ้าเป็นหนังสือธรรมะบนด้วนที่ที่เรามีอยู่ที่เห็นอยู่ว่าปมีรูปพระพุทธเจ้าแล้มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนจะเก็บไว้นในที่สูงเพื่อแสดงความเคารพคุณกฤตฐาครับโยมเพิ่งเข้าใจที่พระอาจารย์สอนในทําสมาธิให้ชํานาญแล้วไม่อุเบกขาก่อนถึงค่อยพิจารณาปัญญา โยมได้เจอความปวดทางกายสมาธิไม่แข็งพอที่จะผ่านไปได้จริงๆค่ะแพ้ราบภาพโยมเพิ่งเข้าใจจากบทเรียนนี้ค่ะโยมจะตั้งใจทำสมาธิให้ชํานาญยิ่งขึ้นค่ะดีต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจบางที่พูดปากเปลี่ยนปากฉีกไปยังไงก็พูดคนพูดก็มีความหมายอย่างคนฟังก็มีความหมายอยู่มันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจโางทต้องปฏิบัติ ไปถึงจะเข้าใจถึงจะรู้หมอหมออมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้คุณสมพรครับหากมีผัสษะข้างนอกมากระทบเฉพาะยิ่งตัวบุคคลต้องใช้ธรรมะข้อใดอย่างไรครับก็แล้วแต่เราที่จะมีธรรมะข้อไหนที่เราจะมาใช้ได้คือเป้าหมายก็คือเราคุณจะปล่อยวางบุคคลนั้นให้ได้อย่าไปตอบโต้เขาอย่าไปมีปฏิกิริยากับเขา จะใช้จะใช้สติก็ได้บริกรรมพูดโทรพูดโทรไปเราก็จะไม่ไปมีการการตอบโต้ของเขาถ้าเราอยู่ระดับปัญญาแล้วก็จะพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาก็ได้เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมบังคับของใครเขาจะมาก็าจะไปเขาจะแสดงอะไรดีหรือชื่อเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แล้วก็ต้องยอมรับสภาพไปรู้เฉยๆไปคือเป้าหมายก็คือให้ใจมองเราสักแต่ว่ารู้เวลาเราสัมผัสกับรูปเสียงกลิล่นรสทุกท่าอย่าไปมีอารมณ์ตอบโต้อย่าไปรักอย่าไปชาไม่อย่าไปกลัวอย่าไปหลงจะทําให้ใจเราไม่ตอบโต้ได้ก็ต้องมีสติมากต้องมสติมากๆ ถ้าเรเห็นแล้วใจเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาบ้างเราต้องี่ใช้สติกใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่พุโทโธเรามีอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสก็จะระงับลงไปได้คุณทีระครับคำถามครับภพบภูมิสามสิบเอ็ดภพภูมิเกิดที่จิตมนุษย์เราเองใช่ไหมครับคือจิตมนุษย์นี่มันเป็น เป็นจิตท ko ี่เปลี country, ่ยนเป็นเปลี่ยนไปเป็นภพต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภพเขอเป็นเป็นจิตของเทวดาหรือจิตของมนุษย์เหมือนกันหมด่ะจิตเทวดาเขาก็อยู่ในภพของเทวดาจิตมนุษย์ก็อยู่ในภพของมนุษย์แล้วจิตมนุษย์เราก็เปลี่ยนเป็นภพของเทวดาได้ถ้าเราทําบุญล้วก็ไปเป็นเทวดาถ้าเรานั่งสมาธิเข้าชาญได้เราก็ไปเป็นพรหถ้าเราทําบาปแล้วก็ไปเป็นเดชะนันก็จิตดวงเดียวกันเนี่ยดวงเดียวกันทุกคน ส่วใหญ่ก็จะไปจากมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์เป็นเป็นที่สร้างภพต่างๆเป็นที่ทําบาตทากรรมทาบุญทําบาปเนีเพราะภพอื่นๆนี้เป็นเป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปจะไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างบาปในภพอื่นมีภพบของมนุษย์นี่แที่เป็นพบที่เรามาสร้างบุญสร้างบากันมาแปลงภพของเราจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวนาเป็นพรมเป็นพระรยะบุคคลหรือให้ไปเป็นเดชาฉานเป็นเบสเป็นอนุสุลกายเป็นนรก ก่อนจากในช่วงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะคุณพันธิวาครับการคิดถึงลูกหลานยามวัยชราหรือรู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวคือการเสพกาม ร, รูปรดกลิ่นเสียงใช่ไหมครับก็เป็นการที่คิดถึงมันนี่ <c oughs> ใครเสพมันมาแล้วพอมันไม่ได้เสพมันก็เหงามันก็เลยยิ่งคิดยิ่งยิ่งเหงาใหญ่ถ้ า, าอยู่คนเดียวเราไม่สามารถเสพลูกเสียงหรืลอลดได้ ก็หยุดมันอย่าไปอยากนั่งสมาธิแทนหยุดความอยากเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปทําใจให้สงบแล้วเราจะไม่รู้สึกเหงาเวลาจิตสงบนะแต่เวลาไม่สงบแล้วเราปล่อยให้มันคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยสัมผัสรับรู้แล้วเกิดความอยากจะได้เสพได้สัมผัสอีกมันพอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสมันก็เกิดอาการรู้สึกเหงาว้าเหว่ขึ้นมามันเกิดจากความอยากของเรา นี่เราต้องหยู่ความอยากให้ได้หยุดความอยากด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณารูบเสียงกลนหรือเป็นตายรักไปเป็นทุกข์อย่าไปเนี้เนี่ยมันทำให้เราทุกข์เพราะเราไปติดนะั้นพอพอติดมนะันแล้วพอเราไม่ได้เสียมันเมื่อไหร่เราก็จะทุกข์เมื่อนั้นทันที คุณพันธิว่าครับความสุขของพระอาหารหันต์แตกต่างจากความสุขของมหาเศรษฐีหรือความสุข ข, ของการมีครอบครัวอย่างไรครับอันนี้ก็นเหมือนกับมันไม่จะเปรียบเทียบยป็นไงเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้สัมผัสกับครามสงบก็ไม่รู้ว่าเป็นยงไงแต่ความหนักแน่นมันก็เหมือนกับความสุขที่ได้จากนั่งรถเบนกับนั่งรถนั่งรถอีกแตนเนี่ยมันต่างกันตรงนั้นะ ควาุขของเศรษฐีมาเศรษฐีกับการมีครอบครัวก็เหมือนนั่งรถดิตันต์ส่วนความสุขของสมาธิของความสงบ ก, ก็เหมือนกับการนั่งรถเบนซ์ต่างกันนะหมคุมอต่างกันครับนะ่นะก็ <c oughs> <c oughs> เปรียบเทียบได้ท่านี้เองคุณมาริสาครับ คนบางคนอายุมากแต่ดื้อยิ่งกว่าเด็กๆอีกมีความทุกข์มากเกิดความสงสารอยากให้เขามีความสุขแต่เขาไม่ฟังเราเลยจําเป็นต้องปล่อยให้เขาเป็นอาหารของปลาของเต่าไหมคะเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนหรือเปล่าครับอาจารย์ถูกต้องเบื้องต้นนี้เราสอนตัวเราให้ได้ก่อนอตัวเราก็ไม่ใช่ว่าจะจะว่านอนสอนง่ายอท่าไหรถ้าว่านอนสอนง่ายกับรรลุเป็นานแล้วมันก็ดื้อเหมือนกันให้มันนั่งสมาธิมันก็ไม่ยอมนั่งให้มัน ปฏิบัติทำมันก็ไม่ยามปฏิบัติมันก็ยังอยากจะไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นอยู่นะมันก็เหมือนกันลนะ่ะงั้นอย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นนะอย่าไปแก้คนอื่นแก้ตัวเราเองให้ได้ก่อนคนอื่นนี้ช่วยเขาได้ต่อเมื่อเขาอยากจะมาขอความช่วยเหลือเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่ดีพอเขาอยากจะพัฒนาแล้วเขามาเขาเชื่อว่าเราสามารถช่วยเขาได้อันนั้ น, นเราถึงจะสอนเขาได้ ถ้าอยู่ดีๆเราไปเราไปสอนเขานี่เดี๋ยวเขาก็จะตะวาดใจเราก็แล้วมายุก่กับชีวิตเขาทำไมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่ในการสอนคนโดยเฉพาะออเรื่องธรรมะเลยยิงย่งยากเนะเพราะมันเป็นการฝืนนิสัยสันปันของคนทั่วไป คุณเอกชัยครับกราบสอบถามครับทำไมจิตใจของผมบางครั้งคิดโน้มไปทางธรรมอยากปฏิบัติธรรมมองแต่เรื่องของตนเองใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งจิตออกนอกแต่พอมาอีกชั่วขณะหนึ่งจิตใจกลับคิดแต่เรื่องอบายามุขฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องของคนอื่นจิตมีแต่จะส่งออกอย่างเดียวจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างครับก็ตองพยายามควบคุมใจเวลาที่คิดไปถึงทางเรื่องอบายามุขก็ต้องใช้สติใช้พุโทโธหยุดมัน อย่าให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดพอมันเริ่มคิดก็ต้องเลี่องยู่มันเหมือนกัว่าไฟเริ่มลุกและวไฟเวลาเริ่มลุกใหม่ๆนี้มันมันดับง่ายกว่าปล่อยให้มันคิดไปกระทั่งมันลามไปถึงการกระทําแล้วมันก็แยกหยุดยากนะนี่พอคิดว่าอยากจะไปเสพบ๊วปอย่างนู้ปั๊กนี่ต้องเลียงหยุดมันทันทีอย่าปล่อยให้มันคิดแต่ถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวก็คิดว่าจะไปทําอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปทําอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วพอไปแล้ออกไปแล้ว เอมันลาไปถึงขนาดนั้นก็หยุดไม่ได้ต้องปล่อยให้มันไม่จนกระทั่งมันหมดเชื้อมันัหาอยากแล้วมันก็จะหยุดไปเองอันนี้เราข้ามอยากใหม่มันต้อง้นใหมาอีกช่วงที่ได้เสพยะบายมุกอย่างเต็มที่แล้วหายอยากทางรบายมุกแลวทีนี้มันก็อาจจะมาอยากปฏิบัติธรรมนะในจิตมันหลอกเรามันจะพลิกไปพลิกมาพมื่าไปปฏิบัติธรรมได้สักพักหนึ่งหมดดแรงก็คิดถึงระบายอยกอีกแล้วอยากจะกลับไปเสวระบายอย่มุกอี เดี๋ยวเราต้องพยายามฝืนมันบังคับมันอย่าให้มันไปกราบนรัส ก, การครับพระอาจารย์ผมขโมยเงินพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมากครับมีวิธีทําบุญทดแทนพ่อแม่แบบใดบ้างครับก็ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูท่านดูแลท่านให้ท่านอยู่อย่างสงอย่างสบายรับใช้ท่าน ท่านต้องการจะใช้เราให้ทำอะไรให้กับท่านก็ทำให้กับท่านไปอันนี้เชื่อฟังท่านหรือว่าถ้าถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปเถียงท่านปล่อยท่านพูดไปบางทีภาษาคนผู้สูงอายุก็อยากจะสอนเด็กมาปล่อยท่านสอนไปถ้าเราเราไม่ชอบเราก็เฉยๆว่าอย่าไปโต้เถียงอะไรทำ น, นองนี้ให้ให้ให้มีความเคารพต่อพ่อแม่ตลอดเวลาท่านเป็นครูบาอาจารย์ คุณเล็กครับการเรียนถามพระอาจารย์การผ่านเวทนากับการทำทุกขะกริยาต่างกันอย่างไรคะคือทุกขระกริยานี่คือการทรมารร่างกายเลยไม่ได้ใช้การภาวน า, นาคือจะใช้แปบลบว่าใช้ความอดทนที่ถ้าใช้ความอดทนน่าจะทนอยู่กับความทุกข์ของทางร่างกายไนดะ้มันก็ทนได้แต่มันไม่ได้ไปดับกิเลสจักความทุกข์ใจมันทนแบบมีความทุกข์อยู่ในใจ มันทนอยู่แต่ใจมันไม่สงบใจมันทุกข์ทรมานแต่ถ้าใช้การภาวนาใช้การเจริญสตินี่มันจะทําให้อยู่กับทุกข์ข้อเวทนาได้แต่ใจอยู่อย่างสงบใจไม่ไม่ทุกข์กับเวทนาที่สัมผัสรับรู้มันต่างกันหมดเพราะาจะย่อถึงหยุดหยุดการกทรมานร่างกายโดยการหยุดพระกยอาหารพอทนได้อยู่กับความหิวแด้แต่มันก็ยังมีความทุกข์ใจ เลยรู้ว่า ม, มันดับทุกใจไม่ได้การการทรมา น, นร่างกายเพียอย่างเดียวต้องกลับมาดับความทุกใจที่ใจก็เลยค้นหาสาเหตุของความทุกใจว่าเกิดจากอะไรก็พบ ว, ว่าเกิดจากความหยาดนี่คุณอนัญญาครับกลับเรียนถามค่ะเราจะแยกได้อย่างไรระหว่างสมาธิกับสติ เพราะขณะที่เรามีสมาธิเราก็มีสติเคยได้ยินว่าสติเป็นตัวควบคุมสมาธิค่ะไม่ไม่ไม่ใช่นะสตินี้เป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าเปรียบเทียบก็คือสติคือการรับประทานอาหารเนี่ยเวลารับประทานอาหารนี่ถ้าประหลาดใจเรื่สติแล้วก็เคี้ยวเกื่อนกินเข้าไปตักข้าวกินไปเรื่อยๆเรกินจนกระทั่งมันอิ่มนะแล้วเราก็หยุดกินตอนนั้นนเป็นสมาธิแลนะเวลาท้องอิ่มนะตอนนั้นเป็นสมาธิ สติก็เหมือนกันสติแล้วก็มีไม้คอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดใช้คํำอะไรคำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้านั่งดูจะดูลมหายใจเขาออ้าก็ดูไปแต่ให้มันดูเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าสามารถบังเข้าให้มันอยู่กับลมนี่อยู่กับพุโทโธได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตมันก็หยุดนิง่งเองก็เหมือนกินข้าวอีกเพราะจิตหยุดนิง่งว่ามันก็เป็นสมาธิขึ้นมา นี่คำว่าสมาธิที่ญาติโยมใช้กันนีมน่มันเป็นมันเป็นคำแทนสติกันเสียส่วนใหญ่ว่ามันนี่ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยอันนี้ความความหมายที่แท้จริงก็คือไม่มีสติอยู่จดจ่ออยู่การทํางานในสมาธินี้ทางญาติโยมไม่มีใครได้สัมผัสกันได้เห็นกันหรอกเพราะไม่เคยนั่งสมาธิกันไม่เคยเข้าสมาธิไม่เคยเข้าถึงจุดที่จิตจุดที่จิตหยุดคิดปรุมแต่งเน่งสงบ เป็นอปปนาสมาธิขึ้นมายัางโดยสมาธิที่ญาติโยมพูดถึงนี่ส่วนให ญ, ญ่ก็หมายถึงสเตนี่ละคุณวีนาครับผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สําเร็จต้องทําทานนักษาศีลเพียรภาวนาปฏิบัติในทางธรรมอย่างไรให้เกิดผลคะขอพระอาจารย์มิตรตาครับก็ลงทําำระดับเต็มร้อยไงทานก็นทําเต็มร้อยมีเงินเท่าไหร่ก็บริาจาคไปให้หมดอยากใช้เงินทองเป็น วิธีการดับความทุกข์เราอย่าไปอาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ถ้าเราบริจาคหมดเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปบวช <c oughs> แล้วพอไปบวชเราก็ไปรักษาศีลได้เต็มร้อยตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็จะเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มร้อยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกต้องทําเต็มร้อยมันถึงจะได้รับผลนิพพาน คุณทิติชยาครับฟ้าจา่าหนูมาเห็นเปรียบเทียบสงครามภายนอกกับสงครามภายในกับกิเลสเหมือนกันเลยเจ้าค่ะต้องปฏิบัติถี่เจ้าข่าถึงจะปราบกิเลสได้แต่ใช่ว่าจะตายต้องจับเขากงเหมือนเลี้ยงสัตว์ที่หนูเห็นนี้คือจินตนาการหรือเปล่าเจ้าคะหนูน้ําตาไหลเลยครับก็มันจะเป็นจินตนาการหรือไม่ก็ถ้าเข้าใจก็ถือว่าใช้ได้เข้าใจว่าการปฏิบัติกับ ต่อสู้นี้กิเล็ทํงาลลงานตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นมานี่กิเลสมันเริ่มออกมาทมาํางานนะแต่เรานานๆจะมาปฏิบัติธรรมสติเอาปัญญามาสู้กับมันนะครั้งหนึ่งนันเองเราจะสู้มันไม่ได้ต้องพยายามสู้กับมันในทุกช่องทางช่องทางทางก็เพื่อหยุดการกิเลสมันจะเอาเงินทําไปไปซื้อรูปเศียรกลิ่วัดมาเสร็ เราก็ตัดมันด้วยการเงินไปทำทานให้มันหมดเพยจะได้ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อของของหรูหราของฟุ่มเฟยจะได้เอาเวลามาปฏิบัติทำได้กี่เดมันทําทำงานตลอดเวลา คุณโทมิครับหนูนั่งสมาธิจิตสงบมีความสุขมีสติรู้ตัวอยู่ในวงกายข้างในนี้ดีหยุดคิดได้ในทุกอิรยาบถที่ต้องการข้างนอกมีข้างในก็มีต่างคนต่างอยู่ไม่วุ่นวายถ้าใจกระเพื่อมก็เห็นหนูติดในความว่างมานานหลายปีกิเลสยังไม่หมดควรเดินปัญญาอย่างไรให้พ้นทุกเจ้าคะก็ที่หนึ่งครับอาจารย์ก็ทุกครั้งที่เราเกิดความอยากเกิดความโลภได้สิ่งทั้งสิ่งนี้ได้พิจารณาว่ามันเป็นไปรักไปถึงยี่ เราตัดความโลภความอยากได้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ใช่เป็นสุขแบบเราา จ, จะคิดว่ามันเป็นสุขก็ได้มานะเราจะมีความสุขแต่เวลาได้มาแล้วมันก็จะเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเราต้องดูแลรักษาทุกข์เพราะเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากปอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเราจะพิจารณาใจรักยืน ืเรื่อยๆกับสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นข้อที่สองครับเพราะเราคิดปรุงแต่งจึงมีเรามาเกิดถ้าหยุดคิดบ่อยๆและมองทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณ์จะพ้นทุกได้ไหมเจ้าคะความจริงไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เรามาเกิดครับความอยากที่ตัวที่ทําให้เรามาเกิดแล้วตัวความอยากนี่มันก็เลยผลักดันให้จิตคิดปรุงแต่งมัในสิ่งที่อยากได้ไปหาสิ่งที่อยากได้คนระับ ถ้าม อ, องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นไต้รักเราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้เราก็จะพ้นทุกได้คุณพัชรีครับอาณาปานาสติคือการหายใจเข้าบริกรรมคําว่าพุทธหายใจออกบริกรรมคําว่าโทใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกอาณาปานาสตินี่คำจริงไม่เกี่ยวพุโทโธเลยอาณาปานาปะัแปลว่านลมเข้าบ อ, อก สติคือการรับรู้ลมเข้าลมออกให้เรารรู้ให้รู้เฉยๆให้เรารู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือว่าตอนนี้ลมกำลังออกที่ปลายชมเพราะเราจะสัมผัสรับรู้การสัมผัสกองลมได้ที่ปลายจนูกเวลาเข้ามามันก็จะมาเข้าที่ปลายชนูกเวลาออกมันก็จะออกไปจากปลายชนูกเราก็จดจ่อเพ่งดูอยู่ที่จุดนั้นให้ร ajo, หู้อยู Volvo, ости, ่ที่จุดนั้นไม่ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออก แล้วต่อไปก็อาจจะรู้ว่ามันสั้นหรือยาวรู้ว่ามันยาวหรือละเอียดอันนี้เป็นถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายความเข้าใจชัดขึ้นชัด ข, ขึ้นเห็นมากขึ้นไปเองแต่เราข้อสาคัญ ก, ก็คือห้าไมไปบังคับลมอย่าไปควบคุมอย่าไปสั่งให้ลมหายใจสั้นๆหรือหายใจย า, ยๆยาวๆอันนี้ไม่ให้ทําทำจริงๆปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติขอเรา เมือนกับตอนที่เรายัางไม่ได้มานั่งสมาธิเราก็ไม่เป็นควบคุมบังคั้วลมัราก็ปล่อยให้มันหายใจตามธรรมชาติเรามานั่นก็เหมือนกันเพียแต่เราต้องการใช้นมไปที่ผูกใจใจเราชอบลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ถ้ามีอะไรมาผูกมันก็ไปไม่ได้เราเลยใช้นมเป็นเครื่องผูกใจไม่ต้องใช้พุทโธถ้าเราจะใช้พุทโธก็ไม่ต้องใช้นมจะดีกว่าเออย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าเจะใช้พุทโธก็ไม่ต้องดู ใช้คำรายการพุทโธพุทโธไปแล้นึกถึงคำรายกา ร, รจนใจของเราไปเรื่อยๆเพื่อใจของเราไม่ไปคิดอะไรต่างใจก็จะสุกได้อต่เราคอยก็ชอบเอามาผสมกันอันนี้ก็ได้ถ้าคิดว่าทําให้ใจสนงกได้ก็ก็ใช้ได้อต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังศึกษากรรมฐานสี่สิบมาไม่มีไม่มีลมเข้าลมออกผสมโมพุทโธมีแต่ยากอย่างไดอย่างห ถ้าพุทโธก็พุทธานุสติถ้าดูลมก็อานาปนาสติคุณลังสันครับถ้านําของใช้เช่นสบู่ยาสีฟันใส่บาตตอนช้าพร้อมพัดตาหารได้ไหมครับได้แต่บางทีมันอาจจะทําให้ท่านลำบากเพราะว่าท่านไปบินตบากเพื่ออาหารแล้วถวายของเหล่านี้ไปมันก็ถ้าท่านไปองค์เดียวก็จะลําบากต้องเอาของแบกไปด้วย นันาจะไม่นิยมเวลาถวายอาหารบินนบานนี้ก็ใส่แต่อาหารอย่างเดียวส่วนอาหารอยืย่นก็ของอย่งอื่นก็ไปถวายที่วัดดีกว่าถามท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนกุฏิไหนแล้วก็หาเวลาว่างก็เอาไปถวายท่านแต่ยกเว้นว่าถ้าท่านเป็นลูกศิษย์มาก็อาจจะฝากลูกศิษย์ให้ให้ถือไปให้กับท่านก็ได้อย่างของเราเนี่ยเราเราละหมดใครจะถวายอะไรก็ได้ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสําหรับที่จะพบกับญาติโยม ก็เลยเราก็มีลูกสิษย์คอยคอยรับของตอออีกทีก็ถวายได้หมดเลยจะถวายสังฆทานถวายจีวรถวายอะไรรับได้หมดรับแล้วก็ให้ลูกศิษย์เขาจัดการให้อีกทีหน่งถ้าผ้ามารูปเดียวเดียวอย่าไปถวายของที่มันบางทีถวายนะแพ็คหนึ่งเนี้ยท่านจะเอาไปเองสงสารท่ามานริญาณยมใส่บาตรสามคนใส่น้ำคนตะขวดเี่บาดบายนิดเดียวไปไม่ไหวแล้วเนี่ย จะน้ำไปยังไงท่านมาบินลบากเพื่อเอาอาหารมากกว่านะน้ำท่านหากินที่กุฏิได้ที่วัดก็มีสมัยก่อนก็ใช้น้ําฝนกันตอนที่เราบวชไปมานี่ก็ไม่มีน้ําขวดก็อาศัยน้ําฝนเนี่ยน้ำรองแทน<อ>ประมาณนี้มีการกรองไหมครับอาจารย์ครับก็มันต้องมีที่กรองหน่อยเพราะว่าไม่ให้มีตัวสัตว์่ย กลับที่พาจามาหรือนั้นมักจะมีผ้ากรองอยู่ที่ปลายก็อผูกไว้ก็คือกรองแค่นั้นเลยมกรองแค่นั้นแต่ก็พอไม่ให้มีตัวติ์เข้ามาในเต็มาปกับน้ํำแต่ก็มาแค่เดทีมันก็เป็นทําให้สัตว์ตายนะนะถ้ามันกรองแบบนั้นลูกน้ํำมันถ้ามันเต็มอยู่ในนั้นมันก็มันก็มันก็ต้องตายเพราะมันไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงมันครับไดก็ไม่ทราบแต่เขาก็ทํากันอย่างนี้อทำอทางที้ก็ว่าไปไป ส่วนใหญ่เขาไม่มีเพราะน้นน้นนที่ใสในทางมันจะปิดฟ้าไว้ไงยูงเข้าไปไข่ไม่ได้มันก็จะไม่มีตัวคุณเอมารเอครั บ, รบการบูชาพระสิวลีทำให้มีโชคลาภถ้าเช่นนั้นเราบูชาพระสารีบุตรเราจะต้องเป็นผู้มีปัญญามากถูกต้องไหมครับไม่ถูกเราเป็นครัเชื่อเฉยๆการมีโชคลาภนี่เกิดจากการทำบุญทำทานยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งจะมีโชคลาภมาก ในพระีวลีท่านทท่านเก่งทางด้านทำบุญทำทานมาในอดีตชาติของทนยิงทำให้ท่านมีโชคลาภมาเพระาะาจริบุก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะท่านเป็นผู้ฝ่รู้ฝ่เรียนฝ่ศึกษาศาสนาพูดเป็นเหตุเป็นผลนัครันแต่เรามาบิดมันโดยการเป็นเรื่องมุม ง, งายไปคุณมนธนาครับการเป็นโรคทางจิต ใจของคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดคือโรคซึมเศร้าเคยได้ยินว่าทางการแพทย์มันเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองมีปัญหาแต่ส่วนตัวคิดว่ามันเกิดจากจิตใจอยากรบกวนพระอาจารย์ให้ความคิดเห็นในการป้องกันจิตใจตั้งแต่เด็กๆหรือสร้างภูมิทางใจยังไงให้เด็กห่างไกลจากโรคล่าวครับก็ให้เด็กมีความนับน้อยสัดยอันนี้จะป้องกันได้เพราะความซึมเศร้าที่เกิดจากการผิดหวัง อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ผิดหวงก็ทําให้เกิดอาการซึมเศร้ากันมาถ้าเป็นหวังบ่อยๆนั้นอย่าไปมีความโลภมากอยากได้นู่นอยากได้นี่ให้หัดมาใช้ในคนิสัยฝึกสอนนิสัยสัมโดยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่ไปอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วถ้าอยากได้ก็ให้อยากได้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆแล้วก็ได้แล้ะ แล้วก็อยากเท่าที่เท่าที่ยังเป็นจริงๆหรือให้มันน้อยที่สุดแล้วต่อไปเมื่อความอยากมันไม่มากความผิดหวังมันก็จะไม่มากความซึมเศร้ามันก็จะไม่มีคุณโรธครับผมมีคําถามครับจะทําอย่างไรให้พ้นทุกจากการพัดพลาดของรักของห่วงครับก็ลองฝืนยืนย่งอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยยั่พัดเท่าแบบชั่วคราวก่อน แ้วเวลาไปพลาพลาดก็ไปฝึกทําใจให้สงบไปทําสมาธิอย่างคุณหมอนี่ก็ไปปีกวิเวียนเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการไปซ้อมันะท่านหมอแล้ว่าบางทีเราจะต้องอยู่คนเดียวต่อไปแล้วถ้าเวลาเราต้องอยู่คนเดียวนี่ต้องทํางไงเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเศร้าหมองก็ต้องทําปฏิบัติทำฝึกสมาธิกันถ้ า, าทําสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะไม่ไม่เหงาไม่เศร้า เห็นต้องพยายามฝึกซื้อแต่ตอนนี้อย่าไปรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว ม, มาทําใจมันทําไม่ได้ต้องซ้อมไว้ก่อนเตรียมทำการบ้านไว้ก่อนลองปรึกษากับผู้ครอของหรือเราคนจะยากกันอยู่สักพักเนี่ยเป็นพักๆเนี่ยเดือนนึงสักอาทิตย์หนึ่งเป็นไงไม่ไอยู่วัดกันคุณไปอยู่วัดหนึ่งเราไปอยู่วัดหนึ่งทางวัดฝึกจิตทําใจให้สงบ คือต่อไปเมื่อถึง เ, เวลาที่เราจะต้องจากกันมันจะได้ไม่เศร้าไม่เศร้าโศกเสียใจคุณทิติรัตน์ครับสามีใส่บาตรทุกวันถึงเราเห็นเราก็ไม่ได้มีจิตอนุโมทนาด้วยเลยผิดหรือไม่คะควรวางใจอย่างไรดีครับก็ไม่มีก็ไม่มีจะวางใจไงแสดงว่าคุณคมททไม่มีความยินดีที่จะทําอุญใส่บาตรนั่นเอง คุณแพทครับการทําทานเพื่อตัดําคาญเช่นแมวลองเสียงดังเลยให้อาหารเราได้บุญไหมครับการให้ของก็ได้บุญนะเป็นการทํำทานก็เป็นการก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคุณพันธิวาถามว่าหลวงตามหาบัวท่านมีวิธีสอนลูกศิษย์อย่างไรจึงมีลูกศิษย์บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ท่านท่านได้มาบอกฉันไง คอยควบคุมให้พระปฏิบัติในศิ่นสมาธิปัญญาไม่ให้ออกนอกวูนอกทางสิ่ก็คือพระวินยัยมีควารให้คันตนัดการรักษาสิ่งของพระแล้วก็คอยควบคุมให้เจริญสตินั่งสมาธิกับพิจารณาทางปัญญาไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่งพ่านที่นอกวัดเนี่ยไม่ไปรับรู้รูปสียงกิจวัตรใดกตา คุณกอะสมุยครับบางทีคิดอยากจะแก้แค้นหรือแกล้งคนที่เขาทำไม่ดีกับเราแต่ก็คิดอย่างเดียวสุดท้ายไม่คิดจะทำจริงเพราะรู้สึกว่าถ้าทำไปก็คงไม่สบายใจไม่อยากคิดล้ายต่อเขาควรห้ามไม่ให้คิดยังไงครับก็คิดอย่างนี้ก็ถูกนเลยคิดว่าทำไปแล้วแทนที่จะจะทำให้เราสบายใจกับจะทำให้เราทุกข์ใจมากขึ้นไป บุญบ้านสวนธทรรมครับสวดมนต์ไหว้พระทุกวันได้บุญไหมครับได้มีในว่าจะได้มากได้น้อยอาจจะได้อาจจะได้ไม่มากเพราะว่ามันยังไม่สงบแต่ก็ได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เลยก็ไม่ใช่คุณเป็กกี้ครับผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือคนวิกลจริตถือว่าสภาวะจิตยังอยู่ แต่ความเป็นมนุษย์จะเสื่อมไปด้วยไหมคะเพราะขันห้ายังอยู่แต่ความจําได้หมายรู้ผิดชอบชั่วดีสิ้นไปครับไม่หรอกความเสื่อมของความเป็นมนุษย์เกิดจากการกระทําบาปถ้าเรากระทาบาปแล้วจิตเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเนรชาญไปเป็นเปรตต่อไปคุณอุดดี้ครับถ้าเราตบยุงหรือตบมแมลงโดยมือไวกว่าสติก็ถือว่าเป็นบาปใช่ไหมคะแล้วคนธรรมดาไม่วิธีล้างบาปไหมคะ การที่พระโรงอาบัตถ์ถือเป็นการล้างบาปไหมคะไม่เป็นแบอการโปรงอาบัติ์นั้เพื่อเป็นการเป็นสารภาพเพื่อจะได้อพยายามที่จะไม่ทําอีกต่อไปถ้าเราปกปิดไว้ไม่มีใครรู้เราอาจจะไม่ไม่มีความสำนึกแล้วอาจจะไม่ละอายเราอาจจะทําต่อซ้ําได้คึอบั ง, บงคับว่าเวลาทําทําผิดทําผิดศีลฉมพระแล้วต้องไปไปโปรงอาบัติไปไป ไปแสดงหรือ ไ, ไปบอกพระรูปหนึ่งให้รู้ว่าตอนนี้กับผมทําผิดพลาดแล้ก็จะได้เกิดความละอายใจที่เราไปบอกคนอื่นกาเพื่อที่จะได้ทำให้เราต้องพยายามมีความระวันระวังไม่ทําซ้ำอีกและบาป ท, ที่ทําไปแล้วไปล้าง ไ, ไม่ได้คุณนันประพัฒครับ ลูกเป็นคนทาอาหารให้คนในครอบครัวรับประทานกันการที่เราทำอาหารให้อร่อยมีรสชาติดีจะเป็นการสร้างกิเลสให้คนอื่นๆไหมครับไม่หรอกกิเลสมันอยู่ที่ที่ใจของเขาเองอาหารอร่อยมันก็เป็นเรื่องของอาหารอร่อยมันไม่เกี่ยวกันหรองั้นเดี๋ยวก็ทำอาหารแม่อร่อยให้วกินเขาก็ไปกินอยู่ดีอันนั้นก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึน คุณจอยครับฝันว่าไปหยิบของของคนอื่นและมีความอยากได้พอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าฝันแบบนี้ไม่ถูกต้องจึงหลับตาตั้งจิตแน่วแน่ว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องในขณะตั้งจิตเหมือนจิตวูบลงไม่รู้สึกตัวแต่กลับได้ยินเสียงดังอื้อๆไปทั่วเหมือนอยู่ในที่ที่มีคนเต็มไปหมดได้ยินแต่เสียงจึงพยายามจะตื่นแต่ตื่นไม่ได้จึงได้ตั้งจิตพุทโธอยู่นานในขณะนั้นเห็นขาตัวเองนอนอยู่แต่ขยับไม่ได้จึงได้พุทโธต่อแล้วตื่นขึ้นมาได้ ขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์เหตุการณ์เช right ่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ยินเสียงอึ้งแต่ได้ตั้งจิตพุทโธคำถามขอบแค่นี้ครับมันเกินเป็นเรื่องของจิตใจของเราในเวลาบางทีถ้าขาดสติแล้วมันก็สามารถที่จะแสดงอาการปแปลกๆอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็พยายามใช้สติถ้ามีสติแล้วมันก็จะระงับอาการต่างๆเหล่านี้ได้ทําให้จิตกลับมาเป็นปกติได้คุณกล้องครับ พระป่าสามารถปรุงอาหารได้ไหมครับเช่นเวลาไม่มีญาติโยงไปใส่บาตรครับมันมันไม่พระไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอาหารเองนะอาหารนี่ถึงแม้ว่าถ้าไปชุดดงนี่บางทีท่านก็ถ้าต้องกินอาหารบางทีก็มีญาติโยงไปคนหนึ่งไปหุงข้าวนะให้ใส่บาตรให้แต่พระนี่ปรุงอาหารทําอาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยการบิณฑบาตรด้วยการรับโดยจากอย่างญาติโยง คุณวรพรครับกับเรียนถามเวลาที่เราทําทานเราสละความโลภแต่ถ้าเราอยากได้บุญจะเป็นความโลภไหมคะคือความโลภที่เป็นเป็นเป็นธรรมะไม่ถือว่าเป็นความโลภพราะความอยากได้บุญนี้เป็นเป็นธรรมะเพราะว่าบุญนี้เป็นเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนอาหารของใจใจต้องการบุญเมื่อใจมีความอยากได้บุญนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภถือว่าเป็น เป็นชันทาเป็นความยินดีที่จะทําทให้เกิดวิริยะที่จะทําบุญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพิบาติสิคุณเพนประพาครับลูกหลานมีคําถามเจ้าค่ะถ้าเราทําบุญแผ่เมตตาให้คนที่ไม่นับถือศาสนาพุทธเขาจะได้รับผลบุญจากเราหรือไม่เจ้าค่ะคือเราก็เข้าใจคําว่าแผ่เมตตานี่มันแผ่ให้กับคนให้กับคนเป็นนะเออ เราต้องเวลาเจอเขาอย่าเงี้ยทักทายเขามีขนมมาฝากเขาเนี่ถ้าเราแผ่เมตตาเขาเมตตาก็คือความเป็นเมตต์ต่อต่อบุคคลตา่างๆนั่นการการแผ่เมตตาเราศาสนาพุทนี้ให้แผ่กับได้ทุกคนทั้งสัตว์ด้วยแ้าคนตายก็แผ่ได้ถ้าเราเจอเขาได้พบปากเขาแล้วก็แผ่ได้ไม่ใช่ผีมาเยี่ยมมาวิ่งหนีหรือไล่ผีไปแสดงว่าไม่มีความเมตตา เขาดความเมตตาว่าเยนดีต้องรับทักทายเขาเป็นไงมาจากที่ไหนเขาเวลาที่จะให้ช่วยทําอะไรให้ได้บ้างหรือไม่นนี้เป็นการแสดงความเมตตาคุณลังสีครับกลับเรียนผ่านอาจารย์สองข้อนะครับข้อที่หนึ่งเราโตแล้วแม่ยังซักเสื้อผ้าให้เราอยู่นี้บาปไหมครับ มันไม่มาปแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราควรจะซักเสื้อผ้ า, าพร่อแม่มากกว่าที่ได้าพราะมันาซักเสื้อใต้ของเราแล้วต้องตอบแทนท่าคุณท่านด้วยทุกวิธีทางที่เราจะทําได้ไม่ใช่มาทาสร้างภาวลให้กับท่านอย่างโตเป็นเราพูดภาษาชาวบ้านโตเป็นควายแลย้วนี่ถ้าเราทําเองไม่ได้ก็ เ, เป็นเป็นอย่างถ้าเราทําเองได้แล้วคนจะทําเอง เราควรจะทําทให้พ่อกับแม่ด้วยไม่ใช่กลับให้พ่อแม่มาทําให้กับเราที่สองครับถ้าเรามาทราบทีหลังว่าพระอุปัชาอาบัติปราชิกแล้วมาบวชให้เราจะเป็นพระอยู่ไหมครับกวเป็นพระของเราก็ยังเป็นพระอยู่แต่ไม่ทราบว่าทาพงพระไม่นายเขามีข้อกําหนดอย่างไรว่าอาจจะถือว่าเป็นโมฆะก็ได้เพราะผู้ที่มาบวชผู้ที่มาเป็นอุปชานี้ไม่ได้เป็นพระ อย่างแท้จริงแล้วเพราะปาราชิตขาดจากความเป็นพระไปแล้วก็เหมือนเอาคาราวาห์มาบวชให้เราเป็นพระอย่างนี้อันนี้ตามที่เราเข้าใจนะที่ว่ามันมันไม่มันไม่สมบูรณ์การจะบวชให้สมบูรณ์ได้ผู้ที่บวชจะต้องเป็นพระสมบูรณ์แต่ผู้ที่เป็นพระปาราชิตนี่ถือว่าอย่างแต่การที่จะเป็นปาราชิตก็อยู่ที่ว่าเป็นตอนไหน ถ้าตอนที่ท่านมาบวชให้เราท่านยังไม่เป็นก็ถือว่าเรายังเป็นพระสมมุนอยู่สําหรับบวชเสร็จแล้วแล้วท่านไปกระทําปาราชิกอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ท่านจะว่าท่านเป็นปาราชิกแล้วท่านไม่บอกใครนี่ท่านเก็บไว้ในใจของท่านนี่อันนี้อาจจะถือว่าท่านไม่เป็นพระแล้วการบวชของเราถ้าเรามาทราบในภายหลังก็อาจจะถือว่าเป็นโมฆะก็ได้อันนี้ต้องไปคุยกับพระพพรระะวินัยหรือพระวินัยถอน ก็จะมีพระผู้เชี่ยวชาญแต่พระมีนายมันทนายความของพระเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญทางกฎหมายของพระนั่นก็ไปคุยกับทนายดยูหมดเวาครับนะหมดเวลาแล้วครับแต่พอดีว่าได้ได้ไฟมาแล้วครับพระอาจารย์พี่บอยส่งมาให้เบื้งหลังแล้วครับเดี๋ยวผมโพสต์ลงไปให้ทุกคนนี่นะครับอคอมเมนต์เพื่อน ใ, น ใ, นใครเพื่อใครอยากจะอนหนังสือแบบนี้ก็ดี impermanent impermanent ครับผมเป็น PDF ใช่ไหมดาวน์โหลดมาได้ไดเ้เป็น PDF ได้อาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังธรรมด้วยกันใน f a c e b o o หก4้อยสสิบแปดคนใน Youtube ็ดร้อยแปดสิบหกคนในคราบเฮาส์ิบหกคนวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันสี่ร้อยหสิบคนครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ยัง ม, มีความสนใจต่อธรรมะ ซึ่งเป็นรถแห่งธรรที่ชนะรถทั้งปวงถ้าสนใจธรรมะวันใดวันหนึ่งก้าจะนําเราไปสู่การหลุพ้นจากความทุกได้ต่อไปข้า ค, คิดว่าพอสมควรกับเวลาสําหรับวันนี้ก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่า น, นี้ขอให้ท่านจงนำวนสิทธิ ท, ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดติดจนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วากวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปโดยั่วหน้ากันเถอดสาธุ ก็ขอลาท่านผู้ชมผฟังนักกุณมหมาไว้ไเพียงเั้งนี้ถ้าไม่มีลาขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเดิมขอจเจริญพรกัาขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ